จเจริญเมตตายากกว่าจเจริญพุทธานุสติเป็นงั้นหรือเปล่ า, าครับท่าน <c oughs> หรือว่าแล้วแต่บุคคลแล้วแต่อัธยาศัยแล้วแต่ข้อมูลนี่ไงครับแต่ผมเข้าใจว่าจเจริญพุทธคุณหรือว่าเราอย่างเรียนไม่จบครับ <c oughs> แต่จเจริญพุทธคุณง่ายกว่านะเพราะมีข้อมูลมากกว่า เช่นเป็นบุคคลที่เป็นเกี่ยวข้องกับเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราหรือว่าเป็นผู้ที่เคยมีพระคุณต่อเราก็จะมีข้อมูลมากขึ้นเมื่อมีข้อมูลมากขึ้นเราก็ตรึกได้มากขึ้นแต่ถ้าเป็นผู้อื่นอย่างเงี้ยนะครับทั่วๆไปเงเราตรึกไม่ค่อยออกเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับคือถ้าลักษณะที่ว่ามันจเจริญอะจะว่าเป็นเมตตา ม, มันก็ไม่เชิงนะเป็นไรครับ คือเมตานั้นไม่ได้ไปไปลักษณะไปไปคิดถึงเรื่องของบุคคลนั้นๆไปแต่ก็คือเป็นการคิดให้คนอื่นเขามีความสุข ก, ก่นเนีเป็นการสมมติถ้าหากว่าเราบอกว่าเรานึกถึงบุคคลหนึ่งก่อนแนะที่ที่เราค่อนข้างกับเคารพมันเนีเมตากับเคารพ บ, บางทีก็ใกล้กัน ก็เจริญไปด้วยด้วยเมตตก่อนในคนนั้นนะทีนี้น้อมจิตไปหาบุคคลอื่นเนี่ยทำยังไ ง, ย, งยังรักษาแบบนั้นได้แล้วค่อยๆขยายความคิดออกไปนะซึ่งมันต่างจากว่าเข้าไปยังไงมายังไงไม่ไม่ได้ไปสาวประวัติอะไรเขาหรอก mm. เพียงแต่ว่าเราคิดให้เขามีความสุข น, น้มันการเจริญเมตตาก็ไม่ต่างอะไรจากการให้อวยชัยให้พรกัคนก็มันก็ให้พอรอย่างเขาไม่มีเขาสุขไม่สุขก็ไม่เป็นไร แต่ก็เราตั้งใจให้เขามีความสุขนะเพราะว่าเจริญเมตตาไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวดันการเจริญเมตตาเนี่ยก็คือสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคลาสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพายิทยอนะหญิงทั้งหลายสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุษสาสัพเพวินิปาติกามั้นสัตว์ที่เป็นอารมณ์ของเมตตาไม่ได้เกี่ยงว่าเป็นเป็นเป็นคนอย่างเดียว โดยที่สุดแม่งูแม่ปลาแม่อะไรก็เป็นอารมณ์เมตตาปลาก็อยู่ของปลานั่นแหละแต่เราคิดให้ปลามีความสุขนะแนวความคิดในลักษณะนี้เป็นเรื่องของเมตตาแต่ถ้าหากว่าเชิงในตรึกถึงเรื่องของกรรมและผลของกรรมเขาเกิดมาด้วยอะไรก็คือส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะมุทิตากับเขาว่านะเออดีนะทุกคนมีบ้านอยู่มีรถใช้มีเครื่องนุ่งห่มเออดีใจไปกับเขาอันนี้เป็นมุทิตาะก็จะไปเป็นมุทิตาแผน แต่ถ้าเมตตาก็คือก็เมือนกับเรานึกถึงคนสักคนแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสนะก็ทํายังไงทุกคนเนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นก็คือเมตตาก็คือมิตรอะมิตรนั่นเองมาจากมิตรความเป็นเพื่อนนะเะนั้นคนที่เราสนิทใจโดยคําว่าเพื่อนจริงๆก็คือคนที่เราเคารพเราเคารพกับใครมากเราก็จะความสนิทใจกับคนนั้นเนี่ยมากนี่เราก็พยายามคิดไปหาคนอื่นลักษณะนั้นคิดไปหาคนอื่นในลักษณะนั้นแต่ที่ว่าโอ้โห มีบางคนเท่านั้นเองแต่เรานึกไม่ออกเลยมันดียังไงวะเนี่ยคือคือหมายความว่านึกถึงบางคนเอ้คนนี้นึกเมื่อไหร่ก็โทสะทุกทีทีนี้ก็พยายามคิดยังไงไม่ให้มีโทสะนะเพื่อที่จะได้เจริญความเป็นเพื่อนไปหาเขาได้คือที่เรามีโทสะกับคนนั้นก็คือเราไม่ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นเพื่อนได้ในความคิดนะแต่การเจริญเมตตาก็ไม่ใช่แปลว่าให้เราทํากิจกรรมไปร่วมกับคนพงังไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะนั้น แต่เป็นความหวังดีปรารถนาดีจริงๆที่เรามีกับเขาอ่ะนะแต่ว่าคนที่จะเจริญเมตตาได้ก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นพานอะไรเป็นบัณฑิตก็รู้แต่ว่าไม่ใส่ใจถึงเรื่องราวเหล่านั้นนะแต่ก็ใส่ใจว่าเออเขาก็เหมือนเรานั่นแหละเขาก็ต้องการความสุขนะมีความสุขกันนะนะก็เหมือนกับเราเราขับรถไปเนี่ยเราขับมาตามถนนเนี่ย ถมาเราอยากถึงจุดหมายปลายทางใช่ไหมเราอยากสวัสดีใช่ไหมเราอยากมีความสุขไม่อยากมีปัญหาใดใทั้งนั้นเลยอยากไปสู่จุดหมายเออทุกคนเขาก็ใช้รถเขาก็อยากไปสู่จุดหมายเขาต้องการความสุขกันนะอันขอให้ทุกคนเนี่ยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะเดินทางโดยปลอดภัยนะนะรักษาตัวกันแล้วกันหน่อยนะนะระวังระวังหน่อยนะแนวะความคิดลักษณะนี้คือเมตตานะในขณะนั้นนั่ไปแต่ไม่ได้สนใจว่าใครเป็นใครมายังไงไปยังไงก็ไม่ไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวว่าหนึ่ง อยากให้เขามีความสุขนะความปรารถนาของเราต้องการให้เขามีความสุขสองเราไม่ต้องการให้ใครมีเวรกับใครเราก็ไม่ต้องการมีเวรกับเขาเขาก็ไม่ต้องการมีเวรกับเราสามเราไม่ต้องการเบียดเบียนเขาเขาก็ไม่ต้องการเบียดเบียนเราต่างคนอยากเบียดเบียนเสกันและกันอันนให้ให้ปลอดภัยให้สวัสดีกันทุกคนนะเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขนะบริหารตนให้มีความสุขเถอะ ขับรถก็ขับรถด้วยความระมัดระวังหน่อยนะขอให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพแนวความคิดอย่างนี้ซึ่งเราไม่เลือกคันไหนเป็นคันไหนเลในท้องถนนทั้งหมดขอให้ทุกคนมีความสุขทําความคิดอันนี้เกิดขึ้นนั้นเป็นเป็นเมตตาแต่ว่าขณะที่มีความคิดอย่างนั้นต้องไม่ลืมว่ามีศรัทธาศรัทธาที่ทําให้ใจมันใสอันในขณะที่มีความคิดอย่างนั้นเราต้องพองใสแนวความคิดลักษณะนะั้น ถ้ามันไม่คิดก็ต้องทํำยังไงมันจะคิดอ่ ะ, ะก็การที่เราจะทําความคิดแบบนั้นให้มันเกิดได้บ่อยก็คือเอาตัวเองเข้ามาปลารกนั่นเองเวลาเราเดินทางเนี่ยเราก็อยากสวัสดีภาพเราก็อยากไปถึงที่ปลอดภัยอ่ะเหมือนเราเข้าไปในร้านอาหารอยังไงเรากําลังจะไปสั่งอาหารเออทุกคนที่เข้ามากินอาหารก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะเราก็อยากกินเอ่ะเขาก็อยากกินเออขอให้ทุกคนกินอาหารอร่อยอร่อยกินอิ่ม น, นะ มีความสุขนะสบายใจกันทุกคนนะไม่ต้องเราต้องการอย่างนั้นอยากให้คนอื่นก็เป็นลักษณะนั้นนะเราเข้าไปในแห่งใดแห่งหนึ่งก็เหมือนกันไปธุระที่ไหนก็ตามเออเรามีธุระเราต้องการให้มันเสร็จเร็วอะไรเร็วคนอื่นๆก็เป็นไล่ลักษณะนั้นเออขอให้ทุกคนมีความสุขนะออนะมันก็กึ่งเหมือนเหมือนกับอวยชัยให้พรแต่ว่าไม่ได้ให้พรเป็นคำคำไปอย่างเดียวเพราะมันต้องปลูกปลอบมีแนวความคิดอันนั้นอะ่ะมากๆให้ทุกคนมีความสุข แล้วก็เจริญอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่หยุดอยู่กับคนใดคนหนึ่งจะเจริญไปเรื่อยนะจนกว่าจะสามารถคิดได้ทุกทิศอ่ะแต่เขาก็มีลําดับการเจริญนะเจริญตั้งแต่ตัวเองก่อนนะไปหาคนที่เราเคารพพอเจริญไปหาคนที่เราเคารพเสร็จก็หาคนเพื่อนเป็นต้นอนะหาเพื่อนหาคนปานกลางแล้วก็เจริญไปหาศัตรูทีนี้ถ้าหากว่าเจริญไปหาศัตรูเนี่ยก็โทสะก็ยังเหมือนเดิมก็หัดเจริญหนึ่งสองสามสี่ใหม่ ให้มันได้ระดับแล้วก็หาเจริญไปหาคนนั้นทีนี้ถ้าหากว่ามันไม่ไปอ่ะมันไม่ไปก็ให้พิจารณาไอ้ความประพฤติของเขามันมีส่วนไหนส่วนดีบ้างถ้ามีส่วนดีก็เอาหยิบส่วนนั้นมาเออให้มีความสุขนะนึกถึงแต่ส่วนที่ดีของเขาว้าแล้วก็เจริญเมตตายอย่างนี้ไปบ่อยๆแล้วก็ทํำยังไงทีนี้เราก็เริ่มไปในละแวกบ้านเดียวกันคนที่อยู่ละแวกนี้ก็ มีความสุขนะอากาศหนาวๆอย่างนี้ก็มีผ้าห่มหมกันท่วนหน้านะอย่าไปเด็หนาวนักเลยอย่างนี้มีความสุขความเจริญกันถ้าหายอย่างความรู้สึกว่าส่งความปรารถนาดีไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ล้อมรอบตัวของเราแผ่ความปรารถนาดีออกไปแม้กระทั่งต้นไม้ใบหญ้าและก้อนหินแม้ก้อนดินอันนี้เป็นความความที่พิจิตรทุกไม่หมดอ่ะเฉพาะสิ่งมีชีวิตอย่างเดียว ปลาเนศสัตว์เฉพาะต้นไม้ใบหญ้าไม่ได้ส่ว น, นหินอะไรไม่ได้ทักอย่างเพราะว่ามันไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาจึงเรียกว่าปลานะนะสิ่งมีชีวิตนะปาเนชาติสัตว์ที่เนื่องด้วยปราพูดนะสัตว์ที่เกิดแล้วหรือสแสวงหาที่เกิดเนี่ยนะทั้งหมดเหล่านั้นเน้นไปที่ที่สิ่งมีชีวิตให้ให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีความสุขแต่เขาจะสุขหรือไม่มปนเรื่องของเขาเนี่ยแต่เป็นความหวังดีของเราจริงๆอะ่ะเมตตาเนี่ยนะ เจริญความคิดอ่ะ จ, จะว่าไปเจริญวิตกเขาเรียกว่าเป็นเจริญอัพยาปาธาวิตกเราตรึกไปเองทั้งนั้นแหละเรื่องพวกนี้นะเขาเป็นไม่เป็นก็ไม่เราไม่รู้หรอกเพียงแต่ว่าเราหวังดีกับเขาจริงๆแต่ถามว่ามีผลกับคนที่เราเจริญเมตตาด้วยไหมมีนะถ้าเราเจริญไปหาบุคคลใดบ่อยๆเนี่ยนะมันเรียกว่าส่งจิตถึงกันได้เหมือนกันนะถ้าคนที่มีความสามารถบางอย่างก็ถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยสามารถที่จะ มันมันการเจริญเมตตามันฝ่ายฝ่ายดีมันไม่เหมือนกับศัยศาสตร์ศัยศาสตร์นี่มันจะเจริญมันเป็นเวทมนต์อนะมันก็เจริญมันก็มีผลเหมือนกันแต่นี่มันเป็นฝ่ายดีฉะนั้นคนที่มีเมตตามากๆเพื่อนจะเยอะนะเพื่อนจะเยอะคนก็จะไม่รังเกียจนะฉะนั้นพระนี้ท่านจึงสอนให้เจริญกรรมฐานสี่อย่างเป็นกรรมฐานหลักคือพุทานุสติหนึ่งนะ สองเมตตาอสุภะและก็มรณสติสี่อย่างนี้เป็นอารักขะกรรมถานเป็นกรรมฐานที่ที่ต้องเจริญเป็นสัพพะกะกรรมฐานที่ต้องเจริญให้มากๆเป็นปกติอัธยาศัยเลยทั้ง4อย่างเลยนะเจริญผู้ธานุสติเพื่อให้เห็นพระพุทธคุณนะเจริญเมตตาเพื่อให้ไม่มีศัตรูนะเจริญม อ, อ, อสุภะเพื่อละราคะแล้วก็เจริญมรณานุสติเพื่อละความประมาท ก็ต้องฝึกเจริญทั้ง4ี่อย่างนั่นแหละก็ต้องฝึกบริหารให้ได้แต่ว่าพุทธานุสติก็เหมาะสําหรับคนมีศรัท ธ, ธาแต่ว่าในในคำพีบางแห่งก็บอกว่า4ี่อย่างเนี่ยเป็นกรรมฐานหลักบางอย่างก็เมตากับมรณานุสตินี่เป็นกรรมฐานหลักแต่ว่ากรรมฐานอื่นๆก็เหมาะกับจิตอัธยาศัยแต่บางแห่งก็บอกว่า4อย่างเนี่ยเป็นกรรมฐานหลักเลยพุทธานุสติเมตตาจะอสุพังมรณาสตินี่นะ เป็นกรรมฐ า, านที่ต้องเจริญให้มากมากให้หลักสลับกันให้ได้นัที่จริงฮะอำนาจความคิดเนี่ยนะอํอำนาจความคิดเนี่ยลองคิดดูเราเจริญเมตตาถึงใครสักคนนี่นะถ้าเจริญบ่อยๆนะพนลังผมมันเป็นคล้ายๆมันมีตัวตนกันนะเป็นแค่เป็นพนลังจิตอย่างนึ่งที่มันมีผลมากรเราไม่ต้องคิดอะไรนะ แค่ฝ่ายอกุศลเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นฝ่ายโทสะนี่นะถ้าเราไม่ชอบใครเนี่ยอืเขาก็ไม่ชอบเรานะถ้าเราไม่ชอบมากๆนะมั น, มนมลอ ง, งนึกบ่อยๆนะ่ไม่ชอบเรานะแปลงยังนนะมองตากันแทบจะรู้แล้วอะ่ะไม่ชอบนะมันมันถึงกันในะความคิดเนี่ยมันถึงการจริงๆครับหรือว่าเกิดโลภะนี่ยนะ ถ้าเกิดรักใครนี่ไม่แน่แล้วครับถ้าตัวติเราไปเกียดใครแล้วเขารักเรานี่มันไม่มีอะครับนะส่วนน้อยนะมันไม่ค่อยมีนะถ้าเราเกียดใครแล้วเขามารักเรานี่บุคคลนั้นต้องเป็นบุคคลพิเศษมนาะคือเว้นไว้แต่ว่ากรรมบางอย่างที่มันมกรรมบางอย่างที่จะต้องให้ไปไปลักษณะนั้นแต่ถ้าธรรมดาทั่วไปแลนะ้วนโกกกะโกรกคนโกรดก็จะกรดตอบคนรักก็จะรักตอบคนชังก็จะชังตอบลักษณะ น, นี้อันนี้ส่วนใหญ่เลย าการเจริญเมตตานี่มีมีผลในในคนรอบข้างค่อนข้างสูงมากนะเพราะว่าคนที่เจริญเมตตก็ต้องเมตตากายกรรมเป็นต้นเนี่ยนะากายกรรมจะไม่แสดงอาการที่กที่ลักษณะคนคนมีโทสะให้เห็นเล ย, ยเช่นเดินตึงๆๆๆตึงอะไรเนี่ยลักษณะนี้เราก็จะไม่เห็นง่ายๆข้าวของที่ไม่เรียบร้อยก็ไปเก็บไม่จะไม่มีบน่นอุบอิบอะไรทั้งอย่างก็จะไปเก็บไปเรียบร้อยนะรู้จักบอกนะรู้จักแนะนากัน เนะมตตาว จ, จีกรรมตรงนั้นอยู่นั้นนะตรงนั้นอยู่นั้นใช้ข้าวของแบบนั้นแบบนั้นนะลักษณะนี้ก็เป็นเมตตาว จ, จีกรรมออกมาแล้วก็เมตตาโมโนกรรมเนี่ยนะก็คือคนที่มีเมตตาโมโนกรรมมากๆนะสายตาไม่แข็งนะสายตาจะอ่อนเรามองเราก็ไม่ไม่เครียดแต่ถ้าคนสายตาแข็งๆนั่นหน้าจะยิ้มขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ถ้าสายตามันกระด้างก็ก็สามารถที่จะมองรู้กันได้แล้วเราก็เจอก็ไม่อยากเจอนานนะ อยากเจอน้อยๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวติดเชื้อมาด้วยพวกนี้ติดเชื้อกันได้นะอาศุเนี่ยมันมันมันใกล้กันต่ออกคุสนกกุศนก็ใกล้กับกุสมั่นกันก็แบบแบบผู้หญิง่ครับสวยมากครับแต่ว่าโหเราเห็นเราแล้วไม่ค่อยรู้สึกสวยนะครับแต่ว่าแต่ไม่น่ารักครับแรกๆถ้าโลภามันเกิดมันก็ดีหมดเลยสวยแต่ไม่น่ารักเคยเห็นไหม ไม่ไม่รู้รคือก็อย่างที่ท่านบอกแล้วครับคือว่ามันแสดงด้วยแววตาด้วยสายตาด้วยอะไรเนี้ยคือแต่ถ้านั่นคือถ้าประสงค์ถึงความเป็นมิตรเป็นเพื่อนนะนะถ้ากิเลสไม่ยอมซะก่อนนะถ้ากิเลสมันยอมมันก็ไม่สนใจยอย่างอื่นนะแต่ถ้าหากว่าเชือเอเอเอเอ่อไอ้บางอย่างมันหมดออกไปปุ๊บมันก็จะลักษณะมองโดยความเป็นเพื่อนอย่างเงี้ย น, นะเอ๊ะเขาไม่เพื่อนกับเรานี่อย่างเงี้ยมันก็ชักชักมีปัญหาแล้วนะนางฟ้าก็ฟ้าเถอะ เอกว่้นี่มันเพชระคาบไงมองเราเมื่อไหร่ก็ด้วยสายตาที่ยามดูหมิ่นเป็นต้นเนี่ยนะเราก็ก็<ต>รับไม่ได้เหมือนกันคนมีมานะมากๆกับมีโทสะมากๆก็คือคนที่ขาดเมตตากานใครที่ที่มีท่าทีในลักษณะนั้นมากๆคนใกล้เคียงก็จะไม่ค่อยอยู่ด้วยนะเว้นไว้แต่มีพิเศษบางอย่างมีอำนาจบางอย่างมีวิบากบางอย่างที่ทําให้ก็ต้องไปสั่งเป็นสั่งตายได้ซึ่งคนก็ต้องไปงอ้อะ นะแต่ว่าความจริงใจจริงๆ จ, จะไม่มีเลยนะความจริงจริงจริงใจกับคนรอบข้างก็จะไม่มีคนรอบข้างไปจริงใจด้วยก็ไม่มีเพราะตัวเองไม่ได้จริงใจกับใครนะอันเมตตานั้นถ้าเราบ่อ ย, อยๆเราก็สามารถที่จะเจริญให้ทุกคนได้นะใจเราก็ไม่ค่อยหยาบ <c oughs> เพราะโทสะนี้ท่านบอกว่าใจเหมือนตะปูอะ่ะมันแข็งกระด้างคนที่มีเมตตาก็ใจก็มันอ่อนไม่ไม่เครียดนะแต่ถ้าโทสะมันเครียดนี่ แต่ว่ า, เ, าเรื่องการเจริญเมตตาเนี่ยถ้าหากว่าถ้าหากว่าประสบกับสัตว์บุคคลจริงๆนะครับที่ท่านเล่ามาเนี่ยหมายความว่าเราเจริญแล้วเราอยู่คนเดียวนะแล้วเราก็เจริญไปนะครับแต่ว่าในชีวิต จ, จริงนะฮะถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสได้แสดงเมตตาจริงๆสักส ก, กับใครสักคนหนึ่งนะฮะแล้วเราก็จะประทับ ความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยนะมันจะประทับใจเราเนี่ยเป็นพิเศษทีเดียวหมายความว่าเราตั้งใจเจริญเลยเมตตานะฮะเช่นสมมุติว่าตั้งใจที่จะยิ้มให้นะคนที่ต่ำกว่าเราเนี่ยนะคนที่ต่ําต้อยกว่าเราเนี่ยแล้วเราก็ไม่ถือตัวนะฮะเรายิ้มให้เราทักทายก่อนน ะ, ะทักทายปราใสก่อนอะไรนี่นะฮะถ้าเราตั้งใจนะฮะ แล้วความรู้สึกอันนั้นเนี่ยก็จะมาทำให้เราเนี่ยไปเกิดกับคนอื่นเนง่ายขึ้นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ก็อย่างอย่างสมมติว่าแสดงธรรมอย่างนี้นะถ้าเรามาถึงตัต้งใจนะว่า เ, ออเราจะพูดให้ทุกคนเนี่ยได้รับความสุขนยะเราต้องการจะให้เขามีความรู้มีความเข้าใจจริงๆริเราต้องการให้เขาทราบซึ้งในคำสอนมากๆนะถ้าเราตั้งใจอ ย, อย่างนั้นแล้วเราก็พูดไปนะ กลับมาถึงเราก็พูดของเราไปเรื่อยว่าโดยอัธยาศัยโดยรู้สึกของเราไปเลยนะมีผลแตกต่างกันมากแต่ถ้าเราสามารถฝึกบ่อยๆอย่างเงี้ยเขา้าแล้วเราทํายังไงให้เขาเจริญงอกงามในธรรมะได้อ่ะเราตั้งจิตในลักษณะนี้แล้วพูดไปนั่นคือเมตตาวจิกกรรมก็พูดด้วยเมตตาเมตตาวจีกรรมต้องการให้เขาได้รับความสุขความเจริญต่อไปแต่ถ้าเราไม่ค่อยอธิษฐานเลยเนี่ยก็แสดงวมาแล้วแต่มันจะเกิดมันได้ปัจจัยมันก็เกิด ทาไม่ได้ปัจจัยเมตตามก็ไม่เกิดมานะก็จะเข้ามาแทนนะ่ยมันพูดเพื่อจะคมพูดเพื่อจะเกยภาพพูดเพื่อที่จ ะ, จะมีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เบื้องหลังของการพูดนั้นๆนะแต่ถ้าเจริญเมตตก็เจริญได้เลยสามารถที่จะปาลบนะ เ, ออเราต้องการพูดให้เขาเจริญงอกงามในกุศลธรรมนะเราต้องการให้เขาเข้าใจในพระธรรมคําสอนเนีเสร็จ แ, แล้วจะทําให้เราศึกษาวิธีการไอ้พูดยังไงให้เขาให้เขาเข้าใจง่ายๆใช่ไหม มันก็ไม่ใช้เทคนิคแต่ก็เหมือนกับไม่มีเทคนิคอะไรเพราะมันเป็นด้วยความหวังดีกันจริงๆความหวังดีจริงๆนั้นสา ม, มารถทำให้คนเนี่ยนะพยายามที่จะหาถ้อยคําใหม่ๆมามาใช้เพื่อให้เขาเข้าใจน ะ, ะจะไม่บอกเออเราก็พูดดีอยู่แล้วทําไมไม่เข้าใจอี ก, ก น, นะถ้ามีเมตตาจะไม่คิดอย่างนั้นอะคํานี้ไม่เข้าใจใช่ไหมคำใหม่นะลองคํานี้สิ <laughs> มันก็จะไปเรื่อยๆก็จะแนะนําก็เหมือนกับ สมมุติถ้าหากว่าคนที่ขายสินค้าให้กับเรานะี่ยเขาแสดงกิริยานะครับเหมือนกับว่าเขามีเมตตากับเราเหลือเกินเนี่ยของอันนี้นะอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ค่อยดีเลยอันนี้ใช้มีประโยชน์อย่างนั้นโอ้เขาวธีบายให้เราตื้อเลยเราถึงไม่ซื้อนะแต่เราก็มีท่าทีเอเดวะหลังออกมาซื้อนะก็คือในลักษณะนี้นั่นเองถ้าหากว่าเขาทําด้วยความจริงใจนั่นแหละคือเมตตาถ้าถ้าไม่ใช่ลักษณะการค้านะแต่ถ้าเป็นเครื่องการค้าก็ถ้าหากว่าการค้าด้วยแต่ถ้าทําใจให้ ให้ผู้บริโภคได้รับของที่ดีที่สุดด้วยอันนั้นก็เป็นเมตตาด้วยนะพูดถึงว่าเมตตาในชีวิตประจำวันนี่น ะ, ะไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวิจีกรรมนี่นะมีความสําคัญมากเลยถ้าเราเอาชนะใจตนสักครั้งหนึ่งนะแล้วเราจะเราจะเห็นตัวเมตตาจริงๆเลยเช่นสมมุติว่า <c oughs> ถ้าหากว่าบุคคล น, นี้เรา เราไม่ค่อยไม่ค่อยสนิทสนมเนี่ยนะฮะแล้วเราลองฝืนใจที่จะด้วยใจจริงเลยนะด้วยใจจริงอนะ่ะแบบเดนคาร์นากีนะที่เขาบอกไว้นะเดนคาร์นากีเคยคท่านเคยอ่านใช่ไหมครับเขาบอกว่าก่อนที่จะทําเราต้องให้เกิดจากใจจริงๆเกินนะเกิดจากใจจริงๆเลยว่าเราเนี่ยจะส่งยิ้มให้ส่งคําทักทายคําพูดให้ลองฝืนใจสักครั้งหนึ่งนะแล้วเราจะได้รับอ น, นิสงส์สูงมากเลยคือสิ่งที่ตอบแทนกับกับเรามานี่นะครับ แล้วเราก็จะจำลักษณะความเยือกเย็นนะความสงบในขณะที่จิตเราเป็นเมตตาขณะนั้นได้นี่นะครับแล้วเราก็ต่อไปจะทำให้พัฒนาง่ายขึ้นทำให้ง่ายขึ้นมากเลยพอเรารู้สึกอย่างนั้นแล้วนี่นะต่อไปนี่ยเราก็ง่ายขึ้นเพราะขณะนั้นนี่นไม่มีมันนะไม่มีโทสะนะแล้วก็ไม่มีอีกหลายอย่างเลยท่านส่วนที่สาคัญก็คือการเจริญเมตตาแบบเป็นการเป็นงานตามคาสอนนี้ เป็นเมตตาที่มีต่อตัวเองเพราะเป็นจริงใจต่อตัวเองก่อนเอาตัวเองเนี่ยเป็นพยานของของความหวังดีนั้นน่ะอันเมตตาก็คือความเป็นเพื่อนอ่ะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเป็นเพื่อนกับตัวเองได้ครับต่อตัวเองอันเขาจึงมีถ้อยคําที่ว่าไม่มีใครเข้าใจเราเท่ากับตัวเรานั่นแหละนะไม่มีใครสงสารเราไม่มีใครเห็นใจเราไม่มีอะไรทุกอย่างในโลกนี่นะของเราเนี่ยพิเศษหมดเลยเฉพาะตัวเองถึงเราจะน่าเกลียดขนาดไหนเราก็ยังดี แล้วก็ยังให้ค่าให้เกียรติให้อะไรทุกอย่างเลยนะกับตัวเองอยังไงเมื่อมีความรู้สึกอย่างีงทํำยังไงคนอื่นเขาก็ลักษณะเดียวกันเรียกว่าเอาใจของเราเนี่ยนะไปใส่ใจของเขาเอาใจของเขามาใส่ใจของเราอยู่บนพื้นฐานอันเดียวกันสำนวนโบราณเขาจึงบอกว่ า, าสาัตว์ทั้งหลายเขาก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือ น, นกันกับเรานะไม่ต่างกันกับเราเลยเขาหิวเราก็หิวเขาเจ็บเราก็เจ็ บ, เ, เ, จบเขาปวดเราก็ปวดนะเขาเขา ต้องการอย่างใดใดคนอื่นก็ลักษณะเดียวกันทั้งหมดเลยเพราะนั้นอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของตัวเองเพื่อเราจะเข้าใจคนชนิดเดียวกันได้ก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าเราขับรถเนี่ยนะเราอยากประสบอุบัติเหตุไหมไม่ต้องการใช่ไหมเราต้องการที่มันจะปาดหน้าปาดหลังต้องการให้คนอื่นทุกข์ไหมอะไรไหมเนี่ยถ้าเราต้องการเออเราต้องการถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพคนอื่นๆเขาก็จะละลักษณะเดียวกัน ทีนี้เราก็พอมีความคิดในเชิงเปรียบเทียบลักษณะนี้บ่อยๆเมตตก็จะเกิดบ่อยๆนี่เพียงแต่ว่ามันไม่คิดก็ต้องฝึกคิดนะมันไม่มีก็ต้องทําให้มันมีขึ้นเขาจึงเรียกว่าอบรมนะเป็นภาวนาถ้าไม่เกิดแสดงว่าคนที่เจริญเมตตาเนี่ยธรรมะหลักสองอย่างเห็นโทษของโทสะเห็นอ น, นิสงค์ของเมตตามันไม่มีก็จะทําให้มันมีขึ้นนะนั่นเขาเรียกว่าสั ม, มปทานนะเป็นความเพียร น, นะ เพียรเพื่อที่จะทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นถ้ากุศลอันนั้นมันเกิดแล้วพาอพูนต่อไปทําให้มันมีขึ้นถ้ามันไม่คิดทํำยังไงจะให้มันคิดบ่อยๆนั้นเนคคำมะอภพยาปาท้ิตกนต้องปรารคบ่อยๆคิดมากๆเขาจึงเรียกว่าฌานเป็นอารัมมณูปนิสชาะมันเป็นฌานชนิดหนึ่งซึ่งต้องทําเป็นการเป็นงานเป็นล่ําเป็นสารเป็นเรื่องเป็นราวเลยเขาเรียกว่าเป็นการอบรมจิตเป็นจิตตภาวนา นะอบรมจิตถ้าไม่มีก็ต้องทำให้มันมีขึ้นถ้าไม่มีปั๊บเนี่ยก็นึกถึงคติของคนไม่มีเมตตามคืออะไรบ้างนะคนไม่มีแต่เมตตาจะเป็นยังไงมีโทสะมากๆจะมีโทษยังไงเนี่ยนะต้องสามารถที่มองเรื่องของอกิเลสสายโทสะเนี่ยได้ตลอดสายเสร็จแล้วมองสายเมตตาได้ตลอดสายนะถ้าเราไม่เจริญอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะกรรมสกตาต้องมั่นคงอลไววะเรานี่มีกรรมเป็นของเรานะ เมตตาไม่เกิดเนี่ยเราเสียหายแล้วนะใช่หมแ้วที่จริงแนละ้วเมตตาไม่เกิดเนี่ยเสียหายชาตินี้เลยนะครับถ้าท่านสังเกตดูนะว่าผลคนที่ไม่เมตตาเนี่ยนะเราจะสังเกตเห็นนะถ้าสมมติว่าเราเรายังไม่เห็นตัวเมตตานะเราไปเห็นตัวตร ง, งข้ามก่อนก็ได้บางคนนะต้องทักก่อนนะเนี่ยก็จะไม่พูดด้วยท่านเคยเห็นไหมไม่ใช่ถามคุณนายผมดูสิตอน ทำงานอยู่ธนาคารอ่ะ<ม>ก็มีเพื่อนอยู่อ่ะใ น, นนั้นอ่ะ<ม>กูพ่อก็เป็นนูน่นรัฐมนตรีอะไรนู่นใหญ่เอากั้นั่นนะก็ทํางานก็ใกล้ๆ ก, กันเนี่ยอยู่ห้องนิดเดียวเนี่ยพ้าไปเข้าห้องทํางานแต่เช้าเนี่ยนะไปถึงถ้าไม่ทักก่อนเขาไม่พูดกับเรานะเราไม่พูดกับเราทั้งวันก็ได้นะเราต้องพูดกับเขาก่อนนะแล้วเป็นอย่างนี้แต่พอพูดแล้วเขาก็เออเป็นเพื่อนธรรมดาเนี่ยนะคุยกันเนี่ย เนี่ยนะนี่ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเนี่ยนะคงไม่มีสําหรับเรานะแต่ว่านี่ตัวอย่างหนึ่งที่คุณนายเขามาเล่าให้ผมฟังอ่ะเขาบอกคุณนี่เป็นยังไงไม่รู้นะไปต้องทักเขาก่อนนะแต่พอทักก็คุยกันจ่อเลยนะแต่ทาไมทักก็ตามตัปึงอยู่แล้วน่ะตั้งน้อนนี่ตัวอย่างหนึ่งที่ที่เห็นว่าความน่าเกลียดแต่ทีนี้เราก็ต้องไม่เกิดก็ต้องทําให้เกิดจริงๆอิงนะมองมันคนที่เจริญเมตตาเนี่ยนะสามารถที่จะมองเมตตาเนี่ยเป็นทรัพย์จริงๆริงเลยนะ เป็นซับที่สา ม, มัคที่จะช่วยเราให้อะไรเกิดก็ได้นะเป็นสา ม, มารถที่จะเจริญเมตตามากๆทําให้เป็นพระอินทร์ก็ได้อ่ะถ้าพระอินทร์มีอยู่ข้อหนึ่งคือเมตตาเนี่ยนะอะโทสะถ้ากโกรธขึ้นกันจัดอย่างรวดเร็วนี่คุณธรรมที่จะทําให้เป็นทาเป็นทาสักกะหรือเป็นพระอินทร์เนี่ยหรือถ้าจะเอาสูงกว่านั้นอีกเป็นพรหมเนี่นยนะเป็นจนถึงระดับมหาพรหมเป็นต้นก็ต้องมีเมตตาจริงๆอ่ะ น, นี่คือคนที่ประสบความสําเร็จสุดยอดของการเจริญเมตตา แต่ถ้าคนที่มีขาดเมตตาจริงๆเนี่ยแม่ก็ฆ่าได้พระอรหันต์ก็ฆ่าได้ทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อก็ทำได้นะสามาถที่จะทำชั่วในมากมายมหาศาลถ้ามีเมตตาเนี่ยนะถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยถ้าเรามีเมตตาปั๊บนยเราคุยดีๆกับเขาเนีเดี๋ยวเขาจะคุยดีกับเรานะสมมุติถ้าพงษ์บอกว่าพึงชนะคนโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธเนี่ยนะอย่างเช่นเขาโกรธมานะถ้าเราใจเย็นสักพักหนึ่งนะใช้ นึกสังเกตดูผู้ใหญ่นะเวนะลาผู้ใหญ่เขาไปเคลียร์ปัญหากับเด็กๆเนี่ยนะผู้ใหญ่เขาไม่โกรธใช่ไหมเด็กก็บองเบมงเบงมงเบ ง, บ ง, บ ง, บ ง, บงผู้ใหญ่ก็ฟังปเอเ อ, เ อ, เ อ, เ อ, เอ выход, รับรู้รับทราบรับรู้รับทราบอยู่นั้นเอเอพยักหน้าไปพักเดียวเขาเงียบเลยนะเดี๋ยวก็ชี้แจงเอแต่ถ้าผู้ใหญ่ไปร่วมเบ้งเบงมงเบงด้วยไปกันใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> นั่นแหละนั้นส่วนใหญ่นั้นเขาจึงเรียกว่าพรหมวิหารเป็นเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐของผู้ใหญ่นะ พอันพวกคนที่มีเมตตาบ่อยๆก็จะเป็นลักษณะจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยจะเอาใจเข้ามาใส่ใจเรามันจะมองทุกแง่ทุกมุมอ่ะเพราะพวกสายนี้มันเป็นประสานแล้สัมพันธ์ธรรมตรยเนี่ยสูงมากทําด้วยความจริงใจจริงๆ เ, เพราะเราเห็นอา น, นิสงส์ของของการเจริญเมตตาซึ่งถ้าหากว่าเมตตาไม่เกิดอย่างในหน้าสิบอดที่จะได้ศึกษากันเนี่ย ว, วิธีการถ้าเมตตามันไม่เกิดอ่ะเจริญแล้วมันไม่มีทําไงอ่ะ มันขอให้มีความสุขกับเธอๆ อ, อยู่นั่นแหละมันไม่ไปอ่ะไม่ไปทำไงกำลังนึกนึกถึงไปหาคนที่นั้นเมื่อไหร่ก็โกรธทุกทีเลยะนะท่านก็บอกว่ามีวิธีการนะมีวิธีการที่จะระ ง, งับความโกรธอยู่ถ้าหากว่ามีมีความตั้งใจจริงๆที่จะเจริญเมตตาเนี่ยไม่ใช่ของยากหรอกเมตตาเนี่ยสามารถทำได้นะลองฝึกบ่อยๆคิดให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยนะ สมมติถ้าเราเข้าไปเข้ามาในที่นี้เนะี่ยลองคิดดูเออขอให้ทุกคนที่มาศึกษาด้วยกันมีความสุขนะ <c oughs> เดินออกไปปั๊บอธิษฐานอย่างเงี้ยเออขอให้ทุกคนที่ไปตามระหว่างทางเนี่ยมีความสุขนะฝึกอย่างนี้ บ, อ บ, อ บ, อ บ, อบอ่อยๆบ่อๆบ่อยๆนะมันไม่เกิดมันไม่คิดก็จะให้มันคิด อ, ะอ่ะเอ้านะมันไม่เกิดมันก็จะทําให้มันเกิดอะ่ะเพราะว่ามันไม่เกิดเสียหายแน่ <c oughs> ทีนี้แต่ถ้าหากว่า น, นึกแล้วก็ยังโกรธอยู่ดีทําไงอะ่ะ ท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าแม้เมื่อเธอพยายามอยู่อย่างนี้ความอาฆาตก็ยังเกิดอยู่นั่นเองขนาดคิดให้มันเป็ น, มนเมตตามันไม่เป็นอ่ะโทสะก็ยังเอาอยู่นั่นแหละก็พึงสอนตนเองอย่างนี้บ้างนะสอนตัวเองเป็นเหนกันถ้ามันไม่มเมตตาก็รู้จักแนะนำตัวเองสั่งสอนว่าถ้าว่าคนมีเวรการสร้างทุกข์ให้แกเจ้าอันในสิ่งอันเป็นวิสัยคือกายของตนสายเพราะเหไรเจ้าจึงต้องการสร้างทุกข์ไว้ในจิต ของตัวซึ่งไม่ใช่วิสัยไม่ใช่กายของเขาเล่าอะน น, น้เขาเนี่ยสมมุติว่าเขาตบเรามาอย่างเงี้ยอา้าวเขาทําให้กายเนี่ยทาไมเราเอาใจของเราไปรับไปด้วยไปเก็บมาทําอะไรอีกนะนั่นแหละแล้วเขาด่าเออมันก็ทางหูนะโสตวิญญาณก็ได้ยินไปแล้วทําไมมโนทวารวิถีเราต้องไปนั่งคิดเรื่องทันนี้ด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมมันแค่โสตวิญญาณก็เป็นอกุศลวิบากเต็มทีแล้วนี่เรายังจะสร้างอากุศลอกุศลกรรมอีกเหรออย่างเงี้ย ทำกรรมใหม่ที่ไม่ดีอีกแล้วนะเขาทำแค่ทางหูเนี่ยเราจะรับมาอ้าใจขอขอร่วมอีกหน่อย <c oughs> แล้วก็สอนอีกในายาหนึ่งบอกว่าตัวเจ้ายังละหมูญาตผู้มีอุปการะมากซึ่งมีน้ำตานองหน้าออกบวชได้เพราะเฮรายจึงไม่ละศัตรูคือความโกรธผู้สร้างแต่ความชีบหายมหันเสียเล่าอันนี้ก็คือถ้าเป็นพระนะเป็นพระที่ ในวัดเดียวกันหรือว่าเจริญเมตตาปั๊บก็นึกถึงพระองค์หนึ่งอ่ะซึ่งเป็นศัตรูกันเนี่ยนะหรือว่าคารวะสักคนหนึ่งที่มาทําความเสียหายให้ใครก็ได้นะที่เราไม่พอใจอยู่คนหนึ่งอ่ะนะคือคือการเจริญเมตตาเพื่อที่จะให้เป็นฌานนั่นแหะนะตัวเราเองคนที่เราเคารพนะเพื่อนคนธรรมดากับศัตรูเนี่ยนะคนเหล่านี้เนี่ยนะต้องมีใจเสมอกันหมดนะจึงจะเริ่มแผ่ไปได้ แต่ถ้าหากว่ายังยังเว้นคนใดคนหนึ่งอยู่นี่ก็แสดงว่ายังเจริญเมตตาแผเมตตาไม่ได้มันก็ต้องหาอุบายวิธีการอะ่ะขนาดคนคนนั้นเป็นศัตรูทำยังไงจะจะทำให้ให้มันเป็นเมตตาเกิดกับคนนั้นให้ได้อะ่ะก็นึกถึงว่าโอ้โหขนาดเราเนี่ยนะออกบวชเนี่ยหมดทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะนะแมมารักษาอันเดียวอะ่ะรักษาไตัวโทสะ น, นี่นะ เก็บไอความคิดอันนี้ที่เป็นบาปไว้อย่างเดียวอย่างอื่นสละได้หมดเหลือโทสะอย่างเดียวว่างั้นเลยนะก็มีบางท่านเขากล่าวว่าผมเนี่ยนะออกบวชผมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเหลือแต่กิเลสอย่างเดียวเพางั้นวัตถุข้างนอกเนี่ยผมสละไปหมดละกิเลสนี่มันสละยากที่สุดเลยหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรั้นเหลือตัวเดียวเพราะงั้นนั่นแหละมาคิดดูนะอย่างอื่นเนี่ยสละได้หมดเหลือโทสะอย่างเดียวนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นออ โอหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาเก็บไอ้ความคิดซึ่งมันไม่ดีอ่ะมันเรียกว่าชั่ว้าเลวซามค่อนข้างมากอะนะโทสระนนี้นะก็มาเก็บอยู่นั่นแหละโอหมันจะขนาดไหนนะหรือว่าเจ้านี่รักษาศีลเหล่าใดอยู่แต่กลับไปพันเนาพันนอสิ่งที่เชื่อว่าความโกรธซึ่งเป็นตัวตัดมูลรากแห่งศีลเหล่านั้นใครเล่าที่จะโง่เหมือนตัวเจ้าบ้างนดี๋ยวบวชบวชเข้ามาจะมารักษาศีลใช่ไหมยกตัวอย่างพระนะ อไปมานี่มารักษาโทสะนี่มีไหมศีลเนี่ยโทสะเจตสิกเป็นศีลข้อหนึ่งเหมือนเป็นอกุศลศีลนะใครรักษาศีลตัวนี้มากๆเข้าสู่อบายทุคติวินิบาศนรกเหมือนกันเป็นศีลไหมเคยได้ยินนะอกุศลศีลอกุศลศีลแล้วก็อภยะอภยกระตะศีลนะอศีลประเภทนั้นไม่ต้องรักษาหรอกมันสมมติว่าโทสะก็สมมติว่าเราจะแปลศีล่าปกตินะถ้าคนมีปกติมีโทสะอย่างนี้ไม่ต้องรักษาหรอก มันมีอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่กุศลศีล น, นะมันไม่ใช่กุศลศีลอ่ะโทสะเนี่ยเพราะฉะนั้นทํำยังไงที่ที่โทสะเนี่ยจะต้องละให้ได้มากๆเพราะถ้าหากว่าโทสะนี่มันเกิดนะท่านบอกว่ารักษาศีลใช่ไหมแต่กลับไปพเนาพนอโทสะถ้าโทสะเกิดขึ้นนะทำปานาติบาได้ไหมได้ถ้าปานาติบาถ้าพระไปทําปานาติบามนุษย์ประชิก ถ้าไปทำปานาติบาตโดยที่สุดไข่มดดำมดแดงเป็นวัตถุแห่งปาจิตีใช่ไหมถ้าโทสะมันเกิดขึ้นมันก็จะตบยุง่งตบทุกสรพันั่นแหละถ้าโกรธเกิดขึ้นน่นะทีนี้ถ้าโกรธมากๆทำให้ทำอธินาทานได้ไหมสมมติว่าของของใครเนี่ยนะเราเนี่ยปาณาโทสะแรงๆคิดจะลักนะที่จะไปลักเขาให้ให้เขามีความเสียหายอันปานาติบาตก็ทาได้อธินาทานก็ทาได้ ถ้าพยาบาทเกิดขึ้นมากๆเนี่ยนะศีลข้อสามก็จะผิดด้วยถึงกับล่วงละเมิดถึงกับเป็นปาราชิกข้อที่เสพในทุนก็ได้ถ้าหากว่าปานาติบาเอ่อโทสะเกิดแรงๆเนี่ยบางคนก็อยากจะไปข่มคนอื่นเขาอะนะว่าฉันก็มีดีอยู่เหมือนกันเนี่ยอยากอวดคุณวิเศษซึ่งไม่มีอยู่เลยสักอย่างก็ถึงก็ทําให้อวดคุณวิเศษก็ได้ถ้าโทสะมันเกิดบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าคนที่มีโทสะเนี่ยนะในอังคุตรนิกายกล่าวว่า เป็นเหตุให้ถึงกับอวดอุตริมนุสธรรมไนดะ้ถ้าโทสะมันเกิดมากๆถ้าโทสะเกิดมากนะทำให้ผิดศีลข้ออื่นๆตามมาอีกมากมายมหาศาลนะเจตนาศีลก็ไม่มีแล้วเจตสิกศีลก็ไม่เกิดนะสังวรศีลก็ไม่เกิดอวีติกรรมศีลก็ไม่เกิดกุศลศีลเหล่านั้นจะไม่เกิดเลยจะเลื้อแต่บาปบริสุทธิ์คือโทสะนั่นแหละก็จะพนเอาพนานั่นแหละแต่แต่โทสะนี่มันมีฉันทะเกิดร่วมด้วย มันหวานเหมือนกันนะโทสะนี่มียอดหวานเหมือนกันแต่มันเป็นภัยที่เกิดขึ้นในภายในอะ่ะแต่ทีนี้ขณะที่กโกรธเนี่ยนะคนกโกรธจะไม่รู้สึกเลยจะไม่รู้สึกจะไม่สานึกจะไม่โอ้โหว่ามันเสียหายประโยชน์ตนเนี่ยนะอริยทรัพย์คือศรัทธาก็หมดไปแล้วนะตอนนั้นอะ่ะทรัพย์คือศีลก็ไม่มีนะตอนนั้นทรัพย์คือหิริโอตปาก็หมดแล้วทรัพย์คือสุตตะนึกถึงคําสอนก็ไม่ได้สักสูตร นะซั์คือจาคะสละอะไรก็ไม่มีทรัพย์คือปัญญามองเห็นอริยสัจไม่มีซับอย่างเนี่ยรัพย์เหล่านั้นที่เป็นอริยทซั์เป็นทรัพย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะเหลือแต่สิ่งที่ทําลายซับนะคือโทสะเนี่ยเป็นตัวที่ที่ทําลายทรัพย์อย่างอย่างสมมุติว่าอย่างซัพย์คือศีลเป็นต้นเนี่ยนะในในวิสุทธิมรรคท่านท่านอธิบายลักษณะของกุศลศีล น, น, นะนะอันนี้สงองข้องศีลว่า ศีลของพิกษุใดหมดจดหมดมนทินดีภาระการทรงบัตและจีวรของพิสูุนั้นย่อมเป็นที่เลื่อมใสบรรปชาของเธอก็มีผลนะการบวชก็มีผลหาไทยของพิสูุผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมไม่อย่างลงสู่ภยัยมีความติเตียนตนเองเป็นต้นนะถ้าศีลดีก็จะไม่ตำหนิตัวเองเหมือนันดุดพระอาทิตย์ไม่ลงสู่ความมืดเช่นนั้น ภัพระอาทิตย์เนี่ยเราเคยมองเห็นความมืดในดวงอาทิตย์หม ถ, ถ้าสายตาธรรมดานะเราจะไม่เห็นมีแต่ความสว่างรอบด้านนะท่านพิชูตุที่มีศีลดีๆก็จะลักษณะนั้นท่านก็จะไม่นึกตำหนิตัวเองในส่วนใดๆได้เลยนะของอามายังนึกตำหนิตัวเองมันมีบางอย่างที่ในบางข้อเนี่ยนะฉันยานี่ฉันไปเสร็จลืมเยเออบ่อยๆจะตรองทันตกรรมตัวเองบ้า <laughs> ไมค่อยดีเพราะมันลืมปจัจจเอกนะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าศีลไม่ค่อยดีก็จะติเตียนตัวเองได้แต่ถ้าหากว่าคนที่ศีลดีๆเนี่ยนะนื้อถึงตัวเองเมื่อไรเลยนะในส่วนไหนๆก็หาโทษที่ให้ตำหนิตัวเองไม่ได้สักอย่างเนี่ยนะใช้คำโดยที่ไม่รู้สึกแม่เหมาะสมหมดเลยใช้คำพูดเนี่ยนะไม่รู้สึกเดือดร้อนในคำที่ตัวเองพูดเลยได้นี่ก็คนนั้นนี่มีศีลดีจริงๆลนลนะ หรือคนที่มีกายกรรมเนี่ยนะกิริยาอาการที่ตัวเองก็ตําหนิตัวเองไม่ได้เลยเนะลักษณะนั้นคือคนศีลดนะีก็เขาบอกว่าการักษาศีลในขนาดนั้นเนี่ยก็จะตัวเองก็จะติเตียนตัวเองไม่ได้อั้นศีลที่ดีเนี่ยมีความสะอาดเป็นอาการปรากฏสะอาดกายสะอาดวาจานั่นเองแต่อย่าลืมนะว่าศีลเนี่ยจะต้องอยู่ร่วมกันนานๆนะจึงเราจึงจะรู้ว่าใครมีศีลไม่มีศีลและคนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ได้ ก็บอกว่าภิกษุเมื่องามในตะโพวันย่อมงามด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลดุจพระจันทร์เมื่องามในท้องฟ้าย่อมงามด้วยความถึงพร้อมแห่งรัศมีฉะนั้นแล้วก็อุปมาอย่างนั้นแต่ถ้าโทสะมันเกิดศีลอันนี้เหลือไหมไม่เหลือแล้วหมดรัศมีเลยนะเหลือแต่รังสีอั ม, มหิทอย่างเดียวออกมาทั้งเลือดข้างหน้าพลออกมาเนี่ยนะคนเนี่ยหลบตากันแถ บ, บเลย เขาบอกว่าแม้กลิ่นกายของพิกษุผู้มีศีลยังทําความเชิ่นบานแม้แก่เทวดาทั้งหลายจะ ก, กล่าวใหญในกลิน่นศีลเล่ากลิน่นศีอกลิ่นแห่งศีนย่อมครอบงำสมบัติแห่งคันตชาติทั้งปวงฟุ้งไปทั่วทิศไม่ได้ติดขัดเหมือนกันนะกลิ่นศีนเนี่ยนะกระจายไปทั่วทุกทิศหมดอันนีเน้เป็นจริงหรือว่าเป็นเท่ยวอ่ะจริงสิคนมีศีนชื่อเสียงดังข้ามประเทศไม่รู้กี่สิบประเทศ อ๋อก็นั่นแหละเช่นพอจริงๆมัก็ไ่ได้หอมเหมือนเดิหรอกอ๋อไม่ได้ไม่ใช่กลิ่นตัวแบบที่วะแหมอาวินิพกเขาลูปยังไงมันก็ของปฏิกูลอยู่แล้วแต่ว่าท่ามนุษย์ธรรมดานะกลิ่นตัวเนี่ยเทวดาเขาเหม็นจริงๆแต่ถ้าหากว่ากลิ่นศีลท่านดีเนี่ยนะเทวดาจะไม่รู้สึกเหม็นเลยขานะประสาทเหมือนกับไม่ทํางานเลยนะก็เหมือนยกตัวอย่างนะว่ากลิ่นศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยดีขนาดพระอ็ น, นอเนี่ย ภาพบางคนหนักอ น, นะคือพระ อ, องค์เนี่ยถ่ายมาเป็นเรื่องเนี่ยเอาหัวทูนเนี่ยเอาหัวทูนเนี่ยไปเทไม่รู้สึกเหม็นเลยบ่างั้นเถอะ น, นะไม่ไม่มีความรู้สึกว่าเหม็นเลยคือคารณะวิญญาณไม่ได้ทําหน้าที่อะเพราะมโนวิญญาณไปรับแต่ความดีของพระพุทธเจ้าตลอดอ่าก็ก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่ถ้าหากว่าคําว่าเก่นซีลย่อมกระจายไปทั่วทุกที่ก็หมายถึงชื่อเสียงของผู้มีศีลนั่นแหละนั่นะนะเขาเขา คำว่าอะไรก็ตามถ้ามีหอมกลิ่นหอมเนี่ยคนก็อยากจะเข้าไปหาเข้าไปใกล้ใช่ไหมคนที่มีศีลดีๆก็จะลักษณะนั้นหรือว่าสการะแม่น้อยอันทายกทําแล้วในท่านผู้มีศีลย่อมเป็นการมีผลมากเพราะฉะนั้นท่านผู้มีศีลจึงเป็นดุดภาชนะรองรับเครื่องบูชาสการะแต่ถ้าโทสะมันเกิดเนี่ยนะสายภาชนะรั่วเลยนะเทไปเท่าไหร่ก็หายเงียบไปหมด นะคือถ้าเป็นพระเนี่ยนะเฮริปัจจัยที่จะให้เกิดเฮริโอตาปะเนี่ยนะก็อาศัยพระธรรมเหล่านี้ก็มาที่จะนะปลอบใจตัวเองได้คือคือสอนเพื่อที่จะให้ว่าเฮโรษะนี่มันเกิดไม่ดีนะเนินึกถึงพระพุทธพจน์เหล่านี้นึกถึงคําสอนเหล่านี้ก็จะมาช่วยนะบําบัดโทสะไปได้ <c oughs> อาสะวะทั้งหลายอันเป็นไปในเทิดธรรมย่อมไม่เบียดเบียนท่านผู้มีศีล ผู้มีศีนย่อมขุดรากแห่งความทุกข์อันเป็นไปในสัมปรายพบเสียได้นะอย่างโทษของการจองจําทุกวันที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุเป็นต้นก็เกิดจากความทุกศีนนั่นเองแต่ถ้ามีศีนเนี่ยนะโทษเหล่านั้นจะไม่เกิดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วภิกษุที่รักษาศีลไม่ดีส่วนใหญ่แนละ้วมีโทสะอยู่เบื้องหลัง น, นะคนที่ที่มากไปด้วยโทสะเนี่ยนะจะรักษาศีลไม่ค่อยได้นะจะทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต่อเนื่องนะจะอึดอัดจะเรียกว่าขาดทันตินตะนะ เพราะศีนเนี่ยนะเป็นเป็นธรรมะที่กําจัดโทสะมูลตรงๆเยนะคนที่มีศีนเนี่ยโทสะจะลดนะเพราะว่าศีนนั้นอ่ะถ้าสมาธินี่เป็นปฏิบักษต่อโนพระนะถ้าปัญญานี่เป็นปฏิบักษ์ต่อโมหะอันศะีนเนี่ยกําจัดโทสะตรงๆอั้นะคนที่ศีลดีๆเนี่ยนะจะไม่ค่อยมีโทสะนะคนที่มีโทสะก็ขนาดนั้นไม่มีศีลปุศลศีล น, นะสมบัติใดในมนุษย์ และสมบัติใดในเทวดาสมบัติทั้งสองนั้นเมื่อผู้มีศีลถึงพร้อมปรารถนาอยู่มิใช่เป็นสิ่งที่จะพึงได้ยากเลยอันหนึ่งใจของผู้มีศีลถึงพร้อมย่อมแล่นไปสู่พระนิพพานสมบัติอันเป็นสมบัติที่สงบระงับสุดยอดแท้บัณฑิตพึงแสดงอ น, นิสงส์ของศีลมีอาการต่างๆเป็นอันมากในศีลซึ่งเป็นมูลแห่งสมบัติทั้งปวงด้วยประการชนิดนะบางแห่งเขาบอกว่าเป็น บันไดไปสู่สวรรค์ว่างั้นเป็นประตูแห่งพระนิพพานก็คือคือศีนนั่นเองแต่ถ้าใช้ศีนอย่างนี้คนนั้นจะต้องรู้จักศีนดีอยู่แล้วใช่ไหมเจตนาศีนเจตสิกศีนนะสังวรศีนอวีติกามาศีนพื้นฐานความเข้าใจเรื่องศีลอันนี้ดีอยู่แล้วเสร็จแล้วเมื่อโทสะเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยโหเนี่ยอุศลศีนของดีๆขนาดนั้นเราเหือดแห้งไปหมดเลยนะเหือดแห้งไปจากใจเราเลยคือใจนี่มันเกิดศีนกับ โทสะไม่เกิดพร้อมกันนะขณะที่โทสะเกิดศีลก็ไม่เกิดแต่ขณะที่โทสะเกิดศีลก็เหือดแห้งไปฉะนั้นโทสะนี่เป็นตัวที่ที่ทําลายศีลเนี่ยฉะนั้นคนที่มีศีลทําลายเสียจแล้วเนี่ยอาศัยโทสะเป็นปัจจัยท่านก็บอกว่าความสุขของคนผู้มีศีลอันทําลายแล้วไม่ละกามาสุขอันมีผลเป็นทุกข์เผ็ดร้อนยิ่งกว่าทุกข์เพราะกอดกองไฟจากมีแต่ไหน ปล่อยให้โทสัตว์ถึงกระล่วงศีลล่วงทำเป็นต้นแล้วก็เหมือนกับไปไปกอดกองไฟนั่นเองถ้าเป็นพระท่านบอกว่าสุขในอันยินดีการกราบไหว้จกมีแก่คนมีศีลวิบัติผู้มีอันจะต้องรับทุกขยิ่งกว่าทุกอันเกิดแต่การสีด้วยเชือกขนหางสัตว์อันเหนียวแน่นอันเหนียวชนัยเล่าวัางนั้นเถอะก็ บ, บอกว่าเขาคนอื่นเขากราบไหว้เนี่ยนะก็ บ, บอกห อ, อกทิ่มแทงถ้ายังดีกว่าถ้าคนที่ศีลไม่ดีเนี่ยนะ ท่านก็บอกอย่างนั้นหรือว่าเอาเชือกมามาดึงะนะดึงดึงดึงดึงไปมันก็จะบาดนะบาดผิวแล้วก็บาดหนังบาดหนังแล้วก็บาดเนื้อบาดกระดูกจรดเยื่อในกระดูกน่นะมันก็จะรัดไปลักษณะนั้ น, านการกราบไหวการที่ที่คนไม่มีศีลเป็นต้นให้เขากราบไหวก็จะในลักษณะนั้นนั่นแหละ สุขในการยินดีอัญเชลีกรรมแห่งคนผู้มีศรัทธาทั้งหลายนะคนมีศรัทธาทั้งหลายก็เห็นเขก็โยกมือไหว้ซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์อันมีประมาณยิ่งกว่าทุกข์อันเกิดแต่การประหารด้วยห อ, อกจากมีแก่คนผู้ไม่มีศีลกระไรได้นะก็บอกว่าเอาห อ, อกแหลมๆคมๆทิ่มซะยังดีกว่าถ้าไม่มีศีลแล้วให้เขากราบไหว้บูชา ความสุขในการบริโภคจีวรของคนทุศีลผู้ไม่สำรวมแล้วจะต้องเสวยสมสัมผัสแห่งแผ่นเหล็กอันร้อนในนรกสิ้นกนลนะาลนานจกมีอะไรนะห่มผ้าถ้าตัวเองไม่มีศีลแล้วก็หอมผ้านะั่นน่ะท่านบอกว่าเออเอาแผ่นเหล็กร้อนๆมาห่มยังดีกว่านะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้องไปห่มความร้อนในนรกยาวนานเหลือเ ก, กินเหมกันแต่ว่าศีลเหล่านั้นที่เสียเนี่ยต้องไม่ลืมนะว่าคนที่โทสะบ่อยๆนี่เราต้อง อย่างถึงโทษที่จะเกิดขึ้นผลพวงของของโทสะนะต้องสามารถที่จะอย่างถึงเรื่องราวเหล่านั้นได้จึงกัเจริญเมตตาได้ใช่ไหมที่จะระงับบําบัดโทสะได้บินธบาตแม้มีรสอร่อยก็เปรียบด้วยยาพิษอันแรงกล้าสําหรับคนไม่มีศีลผู้ต้องการกลืนกินก้อนเหล็กอันร้อนสิ้นราตรีนั่ น, น, นแหละนันถ้าหากว่าศีลไม่ดีเนี่ยนะกินยาพิษดีกว่าวางกันเถอะหรือไม่ก็ พอไปตกนรอกปั๊บเนี่ยก้อนเหล็กเนี่ยยัดจริงๆนะไม่ต้องในนรอกหรอ ก, รกยกังไม่แค่มนุษย์เนี่ยนะยังมีเลยหรือสัตว์เดรัจฉานเนี่เราจะเห็นเลยไอ้เกลือนเกลือนเบ็ดเป็นต้นเนี่ยนะแล้วมันเกลือนี่มันดิน้นทุรนทุรายจริงๆเลยนะเขาเคยใส่เบ็ดมาก่อนเนี่ยมรู้เลยเวลาปลามันกลืนเบ็ดเข้าไปพับเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยพอมันรู้ตัวปุ๊บมันจะดิ้นแรงมากมันดิ้นถ้าหากว่ามันบินบินเนี่ยนะปากเนี่ยฉีกหลุดไปเลย นะถ้าหากว่าเบ็ดนี่ยมันกลืนถึงท้องเนี่ยนะมันกระชากไส้ออกมาด้วยนันะนะมันกระชากมันกลืนมันเป็นลักษณะนั้นอันนี้แค่แค่ปลาเนี่ยทำไมว่าเอออาหารก็มีตัางเยอะแยะนะอาหารพวกกาเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไรเลยทําไมไม่ไปกินอ่ะไปกินเบ็ดเขาทําอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเหตุมันทําไว้นะที่มันทําให้กรรมเนี่ยต้องวิบัติฉะั้นคนที่ศีลไม่ดีก็จะลักษณะนั้นนะแล้วในนรกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าอย่าไปกินมันเลยไม่อร่อยหรอกก้อนเล็กอ่ะ การบริโภคเตียงตัง่งแม้เขาสมมุติกันว่าเป็นสุขแต่ก็เป็นทุกข์สำหรับคนไม่มีศีลผู้ต้องการถูกทุกข์อันเกิดแต่การบริโภคเตียงและตัง่งเหล็กอันร้อนเบียดเบียนเอาตลอดกาลนานา ง, งั้นก็บอกว่าไปนอนเนบ่บกับเตียงที่ลุกโลงลุกเป็นกองไฟยังจะดีกว่าบริโภคเตียงตัง่งที่เขาทำด้วยให้ถวายด้วยศรัทธาถ้าศีลไม่ดี ความยินดีในการอยู่อาศัยในวิหารคือกุติเสนาสนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาอะไรจกมีแก่คนทู้ศีลผู้ต้องตกอยู่กลางหม้อเหล็กอันร้อนใช้ของเขาตอนวันนี้ใช้อยู่กว่าจริงแต่พรุ่งนี้ใครนะเพิ่งทําความเพียรในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งใช่ไหมถ้าความตายมันเกิดมาเอา้านรกมันไม่เด็กไกลเลยนะถ้าถ้าหากว่ากุศลศีลเป็นต้นไม่ค่อยเกิดมันถ้าโทสะมันเกิดแล้วมีศีลข้อไหนนะ ่าถ้าโทสะชาวนะที่เป็นโทสะใกล้ตายนะส่วนใหญ่ก็อนรกอยู่แล้ว <c oughs> พระผู้เป็นครูของโลกเมื่อทรงติคนทุศีลว่าเป็นคนมีสมาจาร์ที่พึงระลึกถึงด้วยความรังเกียจคนมีศีลก็คือระลึกถึงมารยาทความประพฤติของตัวเองนึกเมื่อไหร่ก็รังเกียจตัวเองเมื่อ น, นั้นว่าเป็นคนกรกรื้อด้วยยากเยื่อคือกิเลสว่าเป็นคนเปียกชื้นด้วยน้าคือกิเลส ว่าเป็นคนลามกและว่าเป็นคนเน่าในนะครทธเจ้ า, าเรียกว่าเป็นคนเน่าในว่างั้นนะดังนี้หน้าติชีวิตของคนทุศีนนั้นผู้เป็นคนไม่มีปัญญานะทรงเพศส ม, มณะชนว่างั้นแต่ไม่ใช่ส ม, มณะซึ่งตนนําตนซึ่งถูกกลดถูกขุดไปอยู่สัตว์บรุษทั้งหลายผู้มีศีลในโลกนี้ย่อมหลีกเว้นคนทุศีล ใ, ใดเสียก็คือ ถ้าเรามีโทสะนี่พระพุทธเจ้าใกล้เราไหมพระพุทธเจ้าคือผู้ซึ่สมบูรณ์ด้วยศีลใช่ไหมอรหังมีความหมายหนึ่งก็บอกว่าไกลจากคนมีกิเลสเหมือนขณะที่เรามีโทสะเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไกลไกลเราเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วคำสอนก็ไกลและอริยะสงฆ์ทั้งหลายก็ใกลเราถึงจะอยู่ใกล้ท่านยังไงก็ช่างเดืจับชายสังคติท่านเดินไปท่านก็ยังไกลเราอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นคนมีศีลทั้งหลายก็จะหลีกเว้นดุจคนผู้รักสวยทั้งหลายหลีกอุจจระท่านว่าไง หลือซากศกชีวิตของคนทุศีนั้นจะมีประโยชน์อะไรคนทุศีนั้นเป็นผู้ไม่พ้นจากภัยทั้งปวงแต่เป็นผู้พ้นจากอัธิค ม, มสุขว่างั้นเถอะไม่พ้นจากภัยเลยนะภัยราชภายัภยโจรภัยภัยต่างๆเนี่ยจะเข้ามาอีกมากมายแต่ก็พ้นจากอาธิค ม, มสุขสุขอันเกิดจากมรรคผลทั้งหมดของเขาจะหมดเขาปิดประตูสวรรค์เสียสนิทขึ้นไปสู่ทางอบายเรียบร้อยอย่างนั้น คนอื่นใครเล่าจะเป็นวัตถุแห่งความสงสารชนผู้มักสงสารเสมอด้วยคนทุศีล น, นะคนไม่มีศีลเนี่ยเขว่าเจริญกรุณาให้มากๆเถอะไม่ผิดหวังอย่างนั้นเลยนั่นแหละคือต้นตอแห่งความเสียหายในสังสารวัตรทั้งหมดอางนั้นโทษแห่งความเป็นผู้ทุศีนมีมากอย่างดังกล่าวมาชะนี้แลใช่ไหมถ้าโทสะมันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยโอ้บวชมารักษาศีนที่ไหนได้ไปรักษาโทสะใช่ไหมสาโทสะเนี่มันเสียหายมากมายขนาดนั้นอันนี้พอเป็นตัวอย่างเฉยๆนะว่า อคนที่มีปัญญาก็สามารถที่จะปลารปต่อไปว่าเออโทสะถ้ามันเกิดขึ้นมากๆนี่อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเอกนะกเจริญกรุณาให้ตัวเองมากๆเถอะไม่ผิดหวังเพราะว่าโทสะนี่นะทำให้ล่วงอกุศลกรรมาบดง่ายมากแต่ในขณะที่โทสะเกิดเนี่ยนะชาวนะดวงที่หนึ่งก็ให้ผลในทิฏฐธรรมอยู่แล้วใช่ไหมดวงที่เจ็ดก็ให้ผลในชาติหน้าอยู่แล้วสองถึงหกก็ชาติที่สามเป็นต้นอยู่แล้วอัน คนที่เจริญแบบนี้บ่อยๆแล้วกรรมบดก็จะล่วงง่ายนะเราะฉั้นวาจาของคนโทสะเกิดแล้วจะพุ่งง่ายมากนะเช่นคำดา่าคำสะบทสาบานคำหยาบคายคำพูดทิ่มแทงคำพูดกระทบเนี่ยนะตั้งแต่หัวจรดวดเท้านี่สามารถหาเรื่องด่ากระทบได้หมดเลยนะเชิดเสียงวงตระกูลหน้าตาศักดิ์ศรีเนี่ยด่ากระทบกระเทียบได้หมดเนี่ยนี่คือโทสะโทสะทําให้พูดคำหยาบง่ายมากนะดูเหมือนยิ่งมีอายุมากนะ คนเนี่ยนะยิ่งมีอายุมากจะยิ่งยิ่งโทษาร้ายนะถ้าผู้นั้นไม่ไม่ได้ขัดเราเนีน่ยเป็นอย่างนั้นจริงครับ แ, แม้แต่แม้แต่พระภิกษุนะครับผมเห็นมานครับแม้แต่พระภิกษุนะที่เป็นเป็นพระที่มีพรรษามากๆแก่มากๆเนผมเห็น เป็นอยอะจริแม้แต่เป็นพระนะครับเจริญพานใช่อันนี้เห็นบ่อยถูกลอยถูกบ่ายอ่ะออถูกด่านี่ปกติเลยอลลถ้าวันไหนไม่ถูกด่าโหวันนั้นนี่แสดงว่าเรานี่โชคดีมากท่านด่ายังไงมึง อ, อย่าไปฟังไอ้คําด่ามนีีดีทักอย่างไแต่ผมเคยเจอนะที่ด่าจริงๆเนี่ยนะฮะนายผมอ่ะผมเป็นทศส อ, อยู่นายผมเข า, ขาชวนผมไปไปที่จังหวัดราชบุรี เพราะนายผมคนนี้ชอบเรื่องพระมากนะฮะชอบพระพระที่เก่งๆนะฮเป็นอาจารย์เก่งๆไปวันนั้นคำคาอะไรผมยังจําได้เลยผมยังจําติดหูทั้งเดี๋ยวนี้เลยครับท่านเกิดนึกอะไรขึ้นมาไม่ทราบครับโกรธลูกศิษย์ฮะท่านด่าเพราะว่วาไอ้เปรตเช่นวางนี่นะตั้งนั้นนะคําว่าไอ้เปรดนี่นะ ติดหูผมมาแล้วผมว่ามามาเป็นคําพูดในครอบครัวผมที่เป็นคําที่หัวเราะกันนะเป็นคําที่สนุกสนุกอะ่ะเพราะแล้วก็ไอ้เปรตเนี่ยนะติดหูผมเดี๋ยวนี้สนะาคุณนายคุณนายยังชินหนัแนละ้วไอ้เปรตเนี่ยนะท่านด่าลุกศิษย์ท่านนะนะโอ้ท่านแก ม, มากขนานดะที่นั่ง ท, ท่านนั่งคือนั่งแก ม, มากเลยอ่ะแคอท่านนั่งหลังคูอย่างเงี้นะไม่มองหน้าอะไรเงี้น ะ, นนะงะะนั้นลงศักดิวันที่ไปวันที่ ที่เราเดินทางไปน้องเปริงกันนะอะ่ก็มีมีแห่งหนึ่งอะที่ที่พระท่านานัน้นนะโทสะจริตมันมันระเบิดออกมาแต่ก็ยังว่านะก็บอกว่าบุคคลเข้าไปอาศัยร่มเงาเร่มเงาของต้นไม้ได้แล้วก็นี่ไปว่าท่านเลยแต่รู้ว่าเออโทสะนี่ทํามันเกิดมากแล้วเนี่ยมันไม่ได้หลอเลี้ยงใครใจใครเลยเนะขอว่าเพศใดก็ช่างเถอะ ถ้าโทสะมูลมันทำหน้าที่ของเขาเลยนะเขาซื่อสัตย์เสมอเนี่ยถ้ามันร่วงกรรมบทออกมาไอ้ร่วงเป็นวัจีทุจริตออกมาเนี่ยโหก็ในในพระสูตรนะพูดถึงเรื่องของโทสะหน่อยนะเอาในโกกาลิกาสูตรหน่อยพูดถึงเรื่องพระโกรธนะเคยเห็นว่ า, าพระโกรธมันเป็นไงตกนรกเลยที ในโกกาลิกะสูตรนะอังคุตรนิกายทสกานิบัติก็คิดดูขนาดพระโกรธพระยังบาปเลยยมโกรธไม่บาปยังไงนะครั้งนั้นแลภิกษุเชื่อว่าโกกาลิกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายัางที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสารีบุตรและพระโมกขลานะเป็นผู้มีความปรารถนาลามกรู้อำนาจแห่งความปรารถนาลาม ก, มาก ว, ว, ว่าไปถึงกับส่อเสียดนะคำพูดลักษณะนี้คือคำพูดส่อเสียดให้พระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรโมกขลานะนแตกกันแต่ส่อเสียดด้วยโทสะนะส่อเสียดด้วยโทสะพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าโกการิกา เธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นเธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นเธอจงยังจิตให้เลื่อมสายในสารีบุตรและโมคขลานะเธอเพราะสารีบุตรและโมคขลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักาแต่ถามว่าเรื่องราวนี้ไปยังไงถึงพระโกคาริกะเนี่ยถึงกลับมาสอเสียดสอเสียดนี้ด้วยโทรศาพทนะความว่าโกคาริกะนี้โกคริกะนี้มีสองรูปนะ รูปหนึ่งเขาเรียกว่าจูละโกกาลิกะกับมหาโกกาลิกะว่ากันเลยแต่สรุปแล้วเชื่อนี้ไม่ค่อยเพราะเลยตกนรกทั้งคู่พิกษุโกกาลิกะนี่คือคือใครว่ากันทำไมจึงเข้าไปเฝ้าเล่ากันมาว่าโกกาลิกะพิสุนี้เป็นบุตรของโกกาลิกะเศรษฐีในนครโกกาลิกะรัฐโกกาลิกะบวชอยู่ในวิหารประจำที่บิดาสร้างไว้ แต่พี่สู่ผู้เป็นสิทธ์ของพระเทวทัตก็ชื่อว่าจูระโกกาลิกะก็โกกาลิกะบุตรของพราหมณ์ชื่อว่ามหาโกกาลิกะคือพระโกกาลิกะอีกคนหนึ่งก็คือเป็นลูกศิษย์ของพระเทวทัตมีอยู่ครั้งหนึ่งพร ะ, พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะไปแสดงธรรมให้ลูกศิษย์พระเทวทัตเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์ห้า500องค์แล้วก็จากไปโกกาลิกะนี่ที่เป็นลูกศิษย์นี่ก็เลยเอาเข่านี่ไปกระทุ้งอกพระเทวทัตกระอักเลือดเลยนะนั้นก็ ก็ลูกเสดพระพระเทวทัตนั้นเรียกว่าจุลโกกาลิกะแต่ตรงนี้เรียกว่ามหาโกกาลิกะผู้เป็นบุตรของพราหมณ์ใช่ไหมพราหมณ์นี้เขาเป็นเศรษฐีใช่ไหมเขาก็เลยสร้างวัดสร้างวัดให้ให้ลูกอยู่นะลูกเป็นเจ้าวาดพ่อสร้างวัดอย่างนั้ น, นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทรับอยู่ณกรุงสาวัตถีพระอัครสาวกทั้งสองก็จาริกไปในชนบทพร้อมกับพิสูจ ป, ประมาณห้ารอยรูป เมื่อวันใกล้เข้าพรรษาประสงค์จะอยู่อย่างวิเวกจึงส่งพิษุเหล่านั้นกลับไปตนเองก็ถือบาทและจีวรถึงนครนั้นในชนบทนั้นครั้นถึงวิหารนั้นก็ไปในวิหารนั้นในวิหารนั้นพระโกกาลิกะก็ทำวัดปฏิบัติแก่พระาคาราสาวกทั้งสองนั้นท่านพระสาวกก็สัมโมทนากับพระโกกาลิกะนั้นแล้วก็รับคาว่าผู้มีอายุเราจะอยู่ที่นี้สามเดือนท่านอย่าบอกเรื่องของเราแก่ใครๆ อย่าไปบอกผมนะว่าผมเป็นอัคาราสาวกอยู่ที่นี่ว่าไงจะขออยู่หลีเครนสักสามเดือนเงียบๆหน่อยเถอะ <c oughs> แล้วก็อยู่จําพรรษาครั้นจําพรรษาแล้วก็ปวารณาคือออกพรรษาในวันปวารณาก็บอกลากโกกาลิกะที่สูว่าผู้มีอายุเราจะไปละโกกาลิกะที่สูวก็กล่าวว่าผู้มีอายุวันนี้อยู่อีกเสี้ยววันหนึ่งพรุ่งนี้ค่อยไปนะพรุ่งนี้ค่อยไปนะ วันรุ่งขึ้นก็เข้าไปในพระนครบอกผู้คนทั้งหลายว่าผู้มีอายุท่านไม่รู้กันดอกหรือว่าท่านพระอัครสาวกทั้งสองมาอยู่ในที่นี้ใครๆจะไม่นิมนต์ท่านด้วยปัจจัยบ้างหรือนะก็วางแผนจะหาลาบก่อนอนะ่ะไหนๆท่านจะไปก็ขอปัจจัยสีไว้หน่อยก็คือไปเที่ยวบอกไม่รู้หรือไงว่าพระอัครสาวกมาจำมรนสายอยู่ที่นี่ไม่มีใครจะเอาปัจจัยสี่เอาจีวรเอาอาหารมาถวายท่านบ้างเลยเลยท่านจะไปแล้วนะก็รีบไปเที่ยวบอกประกาศชักชวนญาติโยมใหญ่เลย ชาวพนครก็เลยกล่าวว่าท่านเจ้าข้าพระเทระอยู่ไหนเล่าเหตุไรท่านจึงไม่บอกพวกเราโกกาลิกาพิสุกกล่าวว่าผู้มีอายุจะต้องบอกทําไมพวกท่านไม่เห็นพระเทเรสองรูปนั่งเนื้อเทระอาจดอกหรือนั่นแหละพระอัครสาวกชาวพนครเหล่านั้นก็รีบเร่งประชุมรวบรวมเนยใสยน้ํำพึ่งเป็นต้นและทําจีวรนทั้งหลายนะพระโกกาลิกาก็เลยคิดว่าท่านพระอัครสาวกทั้งสองนี้เป็นผู้มักน้อยอย่างยิ่ง จากไม่ยินดีลาบที่เกิดขึ้นด้วยประยุติวาจานะคําพูดแบบนี้ไปเรื่อยมาไปเรียบ เ, เคียงเข้ามาวัางนั้นพระคราสาวกทั้งสองยังไงท่านก็ไม่เอาแน่นอนไม่เอาตกถึงใครอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไม่ยินดีก็จะบอกให้ให้แก่ภิกษุประจําวัดแล้วจึงให้เขาถือลาบนั้นไปยังสํานักของพระเถระยังไงท่านก็ไม่เอาเสร็จเราแน่งานนี่นะพระเถระเห็นแล้วก็ปฏิเสธปัดใจ พอมองเห็นเนี่ยท่านพระโมคะลาน่าภาษาดิบุตรเนี่ยท่านมีอภินญายอยู่แล้วใช่ไหมมองจิตเออมองหน้าปั๊บอย่างถึงจิตก็รู้แล้วว่าเจ็ดวันก่อนหน้านี้หลังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าถ้าทายเตโตปริย า, ยานปุ๊บเนี่ยนะอดีตเจ็วันอนาคตเจ็ดวันเนี่ยมองออกทันทีเลยเพรา ะ, ะนั้นท่านก็รู้บอกว่าปัจจัยนี้ไม่ควรแก่เราทั้งไม่สมควรแก่โกกาลิกะภิกษุดังนี้แล้วก็กลับไปะนะไม่เหมาะกับใครรอกเหมือนนั้นเลนะที่จริง น่าจะบอกว่าไม่ควรแก่เราแต่ก็น่าจะสมควรกับพิสูจน์ที่เหลือนะบอกไม่ควรแก่ใครสักคนเลยโปกาลิกะพิสูจก็เกิดอาคาตนะโทสะเกิดขึ้นยังไงเสื่อมลาบแล้วเนี่ยอะไรเล่าท่านพระอัครสาวกเมื่อตนเองไม่รับก็ไม่ให้เราแล้วก็หลีกไปเสียเนี่ยโทสะเกิดแล้วภูเวนเนี่ยนะอาคาตโทสะเกิดแล้วพระอัครสาวกทั้งสองแม้นั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าวถวายบังคมแล้วก็พาบริษัทของตนจาริกไปในชนบท อีกครั้งแล้วก็กลับมายัางนคร น, นั้นในรัฐนั้นนั่นแหละตามลําดับพวกชาวเมืองก็จําพระเถระได้ก็จัดแจงทานพร้อมกับบริคารสร้างมณฑปกลางพระนครถวายทานแล้วก็น้อมบริคารไปถวายพระเถระพระเถระก็มอบแก่ภิกษุสงฆ์พระโกกาลิกาเห็นดังนั้นก็เลยคิดว่าโหพระอัครสาวกนี้แต่ก่อนก็เป็นผู้บัตรมักน้อยอย่างนั้นแต่คล้ายๆก็บอกทำตัวเป็นคนมักน้อยตอนนั้นน่ะนะ บัตรนี้กลายเป็นผู้มีความปรารถนาเลวนะปรารถนาราโมกแล้วเหมือนกันชรอยเมื่อก่อนทําทีว่ามักน้อยสันโดษวิเวกนะสงัดก็คือวิเวกจึงเข้าไปหาพระเถระกล่าวว่านะก็เลยโธสะมันแรงมากนะก็เข้าไปหาภาษาริบุตรเป็นต้นเลยบอกผู้มีอายุพวกท่านแต่ก่อนทําเหมือนว่ามักน้อยคาพูดนี่ด่านะ แต่บัดนี้กลายเป็นภิกษุชั่วไปเสียแล้วคิดว่าเราจัดทําลายที่พึ่งของพระเถระเหล่านั้นอีกที่ต้นตอ่อจะตัดต้นต่อของพระเถระเหล่านี้เสียจึงรีบออกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคนะจากเมืองโกกาลิกะไปเมืองสาวัตถีเลยพั้นโกกาลิกะก็เลยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นโกกาลิกะภิกษุนั้นรีบร้อนมาทรงพิจารณาทราบอยู่ว่าภิกษุนี้มาเพื่อประโยชน์จะด่าพระอัครสาวก เราจะห้ามได้ไหมนะพระองค์ก็คิดนะห้ามได้ไมนอ้อก็ทรงเห็นว่าห้ามไม่ได้โอ้โทรศพทมันแรงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังห้ามมาอยู่เลยนะแรงมาก <c oughs> เธอทำผิดในพระเถระทั้งสองมาแล้วจักเกิดในปฐุมนรกโดยส่วนเดียวทรงห้ามถึงสามครั้งว่าอย่าพูดอย่างนี้เลยเพื่อเปลื้องวาทะที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าโกกาเลกะภิกษุติเตียนภิกษุสาริบุตรโมฆคลานะแล้วก็ยังไม่ทรงห้าม และเพื่อจะทรงแสดงว่าอริยุประวาทิธาม่มีโทษมากนะทีนี้ครั้งพระองค์ก็ห้ามหนึ่งครั้งก่อนใช่ไหมครั้งที่สองพระโกกาลิกาก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของข้าพระองค์น ะ, เ ป, ะเป็นผู้ที่มีพระพุทธพจน์อันข้าพระองค์เชื่อถือได้ก็จริงถึงอย่างนั้น สารีบุตรและโมกขลานะก็เป็นผู้มีความปรารถนาลามกลุกอำนาจแห่งความปรารถนาลามกพระเจ้าค่ะนะคือพระพุทธเจ้าพูดเนี่ยเชื่อพระองค์เนี่ยคือเคารพพระพุทธเจ้าทุกอย่างลางานแต่เว้นแต่สององค์นี้นะเว้นแต่ภาษาสารีบุตรและโมกขลานะพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนโกกาลิกาเธออยากกล่าวอย่างนั้นเธออยากกล่าวอย่างนั้น เธอจงยังจิตให้เลื่อมสายในสารีบุตรและโมฆะลานะเธอเพราะสารีบุตรและโมฆะลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักแม้ครั้งที่สามโกกาลิกาภิกษุได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของข้าพระองค์เป็นผู้มีพระพุทธพจน์อันข้าพระองค์พึงเชื่อถือได้ก็จริง ถึงอย่างนั้นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็เป็นผู้มีความปรารถนาลามกลลกอำนาจแห่งความปรารถนาลามกพระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนโกกาลิกะเธอจะได้กล่าวอย่างนี้เธอจะได้กล่าวอย่างนี้เธอจงยังจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเธอเพราะสารีบุตรและโมคคัลลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักครั้งนั้นแลโกกาลิกะภิกษุลุกขึ้นจากอาสนะ กรรมที่มันทําแรงมากถึงกับสอเสียบ ต, ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะดาบดาพระสารีบุตรโมรคะลานะต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะกรรมนี่แรงทําให้ดันท่านไม่ไม่หยุดไม่สา ม, มารถที่จะนั่งต่อหน้าพระพุทธเจ้าต่อไปได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทาประทักศิณแล้วหลีกไปเมื่อโกกาลิกะภิกษุหลีกไปแล้วไม่นานร่างกายนี่มีตุ่มเท่ า, มาเมล็ดพันธุ์อากาศเกิดขึ้นทั่วตัวตุ่มเหล่านั้นก็ เท่าเมล็ดถั่วเขียวนะมันขยายขึ้นพัดเดียวเลยนะเร็วมากแล้วก็โตเท่าเมล็ดถั่วดำแล้วก็โตเท่าเมล็ดพุทราแล้วก็โตเท่าเมล็ดกระเบลเมล็ดกระเบาก็ใหญ่กว่าเมล็ดน้อยนาหน่อยแล้วก็โตเท่าผลมะขามป้อมใหญ่เท่านี้แล้วก็โตเท่าผลมะตูมอ่อนโตเร็วนะแล้วก็โตเท่ากับผลมะตูมแก่แล้วจึงแตกนองและเลือดก็หลังไหลออก ได้ยินว่าโกกาลิกาภิสูนนั้ น, นอนบนใบตองกล้วยเหมือนปลากินยาพิษเหมือนกันร้อนรดนกระวนกระวายนะคนอื่นก็เอาใบตองกล้วยมามามาให้นอนครั้งนั้นแลตุทิปัเจกับพรหมนะพรหมคนนี้ก็คืออุปชายยะของพระโกกาลิกานั่นเองซึ่งท่านเป็นพระนาคามีและท่านก็มรณะภาพไปเกิดในสุทาวาสนะนะอ่า บอกว่าอุปชยัยย์ของพระโกกาลิกะชื่อว่าตุทิเทระบรรลุอนาคามีผลบังเกิดในพรหมโลกท่านได้ยินเสียงตําหนิตั้งแต่ภูมิมัทเทวดาต่อ ต, อตอกันมา <c oughs> ค, คือข่าวที่พระโกกาลิกะเนี่ยตาหนิภาษาดิบุตรเนี่ยนะเทวดาก็จะระบือเสียงดังๆๆๆังไปจนถึงพรหมโลกนะเสียงแป๊บเดียวก็ดังเลยนะเหมือนกับออกหนังสือพิมพ์เลยแป๊บเดียวกระจายทั่วประเทศเลยเร็วมากนะเทวดา พรมเทวดาด่าเออตำหนินะโอ้ทำไมจึงจึงกล้าด่าภาษาริบดทอ่ะนะก็จะดังไปถึงจาตุมนะจาตุมก็ถึงดาวดึงดาวดึงก็ยามาดุสิตนิมมาณรดีปรินิมิตาวสวัสดีก็เลยไปจนถึงพรมโลกเหมือนันนะพอดังไปจนถึงพรมโลกนะตุทิ่ตตุิพรมเนี่ยนะก็ได้ยิน ว่าเออโกกาลิกะเนี่ยกล่าวตูพ่พระอัครสาวกด้วยอันติมวัตถุว่างั้นเนี่ยเดี๋ยวแต่โจทยังนี้ร้ายแรงมากนะกระทํากรรมไม่ถูกคิดว่าน่าสงสารเมื่อเราเห็นเขาอยู่ก็อยากพินาศไปเสียเลยนะอุปชากระสงสารจำเราจากสั่งสอนเขาเพื่อให้จิตเลื่อมใสในพระอัครสาวกทั้งสองดังนี้แล้วก็จึงมายืนอยู่ตรงหน้าพระโกกาลิกะที่ศูนนั้นนะ ท่านยืนอยู่ที่อากาศนะมาถึงก็ยืนอยู่บนอากาศเลยก็ได้กล่าวกับพระโกกลิกาพิสุว่าดูก่อนโกกาลิกะท่านจงยังจิตให้เลื่อมใสในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเถิดเพราะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักโกกลิกาพิสุก็เลยถามมาดูก่อนท่านผู้มีอายุท่านเป็นใครนะถามเทวดาเป็นใครพรมก็บอกว่าเราเป็นทุธิปัจเจ ก, กพรม โกคาริการะบอกดูก่อนท่านผู้มีอายุท่านเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่าเป็นอนาคามีไม่ใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนั้นท่นานไฉนท่านจึงมาณนะที่นี้อีกในบัดนี้อันหนึ่งท่านจงเห็นความผิดนี้ของท่านเท่าที่มีอยู่บอกอนาคามีก็คือไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกใช่ไหมโกคาริการะนี้เข้าใจผิดอะ่ะเข้าใจผิดนึกว่าไอ้ที่ว่าไม่มาในโลกนี้คือมาเกิด แต่นี่มาเตือนมาได้มาเตือนมาแนะนาอ่ะมาได้แต่ว่าเขาไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วล่ะแต่ก็โกกาลิกานี่เข้าใจผิดอ่ะเอ๊ท่านนี่ผิดแล้วนะว่าพระอนาคามีเขาไม่มากันหรอกท่านจงรู้ว่าท่านก็ผิดอย่างั้นเนอะขนาดพรมหอมมาเลยยังช่วยไม่ได้นะตศโทษามันแรงอ่ะเห็นอนุภาของโทสานะไตรสะสมสมาทานเป็นลักษณะนี่นนึงนึกยังโอ้โหเราเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยสวยขนาดหนักเลย <c oughs> ครั้งนั้นแลตูที่ปเจกับพรมได้กล่าวกับพระ โ, โกกาลิกาภิกษุด้วยคาถาว่าพุทสวาจาเพียงดังจบนะคำหยาบนี่เหมือนจอบเลยเพราะนนซึ่งเป็นเครื่องตัดทอนตนของคนพันผู้กล่าวคำชั่วย่อมเกิดขึ้นที่ปากของบุคคลผู้เป็นบุรุษพันนะจริงบาปนี่มันทำไม่ยากนะพูดมาไม่กี่คำเท่านั้นนะ เรียบร้อยเลยนะบุญที่ทําไม่เป็นร้อยปีนี่ก็เลี้ยงอะ น, นะเขาบอกว่าชื่อดีเนี่ยนะชื่อเสียงที่ดีๆเนี่ยโหทําเป็นนานกว่าจะก่อตัวได้ทีละเล็กทีละน้อยนะแต่ทําไม่ดีเนี่ยนะพูดไม่กี่คำนั่นแหละหมดเลยมัมีเหลือสักอย่างผู้ใดสรารเสริญผู้ที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสรารเสริญผู้นั้นชื่อว่าสะสมโทษไว้ด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพราะโทษนะั้น ด่าคนที่ควรติด่าคนที่ควรชมกับชมคนที่ควรด่าเนี่ยด่าในที่นี้คือตําหนินะไม่ใช่ไปด่าจริงๆหรอกคือสารเสริญคนที่ควรติหรือติที่คนที่ควรสารเสวนเนี่ยนะมีโทษเท่ากันนะวิบากเท่ากันนะ<ม>เราเห็นเขาไม่ดีเนี่ยโอ้ยมานั่งภาลานาสารเสริ ญ, ญยกย่องคนชั่วนะกับตําหนิคนดีเนี่ยนะพอกันเลยนะบาปเท่ากัน การปราชัยด้วยทรัพย์ในการเล่นการพนันด้วยตนเองจนหมดเนื้อหมดตัวเป็นโทษมีประมาณน้อยการที่บุคคลยังใจให้ประทุษร้ายในพระอารียเจ้าผู้ดำเนินดีแล้วนี้มีโทษมากกว่าเล่นการพนันสิ้นเนื้อประดาตัวหมดเลยนะกลับไปด่าพระอาริยเจ้าเนี่ยนะเล่นการพนันเสียหายนั้นยังดีกว่ามั้ บุคคลตั้งวาจาและใจอันเป็นบาปแล้วติเตียนพระอริยเจ้าย่อมเข้าถึงนรกสิ้นหนึ่งแสนนิรัพุทธหนึ่ง 0,000 นิรภพุทธกับอีกสามสิบหกนิรบพุทธและห้าอภพุทธเพียบเลยนะครั้งนั้นแลพระโกกาลิกาภิสูได้กระทำกาละด้วยอ า, าพาธนั่นเองแล้วก็เกิดในปทุมนรกขณนะาาที่โทสะเลยนะจติตอนนั้นพอดีพอดีเลยนะ เพราะยังจิตให้อาฆาตในภาษารีบุตรและพระโมคขลานะลำดับนั้นเมื่อปฐมยามแห่งราตรีผ่านไปแล้วสหมบดีพรหมผู้มีวันนาสง่างามอย่างพระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นและได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกาพิสุกกระทำกาละแล้วเกิดในปทุมนรก เพราะยังจิตให้อาฆาตในภาษารีบุตรและพระโมคขลานะพระเจ้าค่าท้าวสหัมบดีพรมนั้นครั้นกราบทูลดังนี้แล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นเองแสดงว่าสังเวทใจมากจนถึงกับพรมลงมากราบทูลในครั้งหนึ่งนะครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพิ่สูทั้งหลายว่าดูก่อนพี่สูทั้งหลาย ในคืนนี้เมื่อปฐมยามผ่านไปแล้วเท้าสหัมบดีพรหมผู้มีวั น, นะสัางามอย่างพระวิหารเชตาวันทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้าไปหาเราอย่างที่อยู่อภิว่าเราแล้วนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกะภิกษุกะทากาละแล้วเกิดในปทุมนรกเพราะยังจิตให้อาคาตในภาษารีบุตรและพระโมคขลานะดูความพิสูจน์ทางลาย ท้าวสหบดีพรมนั้นครั้นกล่าวคำนี้แล้วอภิวาสเรากระทำประทักษิณแล้วหายไปนะที่นั้นเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพิสุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประมาณอายุในปทุมนรกเนี่ยนานเท่าไหร่เนาะนานหรือเปล่าในะปฐุมนรกเนี่ยนรกดอกบัวเนี่ยนะปทุมก็ดอกบัวไม่ดีเลยนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุประมาณอายุในปทุมนรกนานนะักประมาณอายุในปทุมนรกนั้นยากที่จะกระทาการกาหนดนับได้ว่าประมาณเท่านี้ปีประมาณเท่านี้ร้อยปีนะประมาณพันปีเท่านี้หรือประมาณแสนปีเท่านี้ผมมากกว่า น, นั้นมากกว่าแสนปี ภิกษุรูปนั้นก็เลยบอกค่าแต่พระองค์พู้เจริญก็พระองค์อาจเพื่อจะทาการเปรียบเทียบได้หรือพระผทธเจ้าค่ะอุปมาได้ไหมว่ามันขนาดไหนเนี่ยนะถ้ามากไปแสนแล้วมันจะเป็นยังไงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอาจอยู่ภิกษุแล้วได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุเปรียบเหมือนหนึ่งเกวียนเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20่สบขารี นะคารีก็เท่ากับประมาณ2องรี่สิบนารประมาณนั้นหนึ่งคารีเนี่ยนะก็คือ1เกวียนอ่ะเอามาล็ดงานี่นะบรรทุกหนึ่งเกวียนใหญ่ๆเลยนะเมื่อล่วงแสนปีบุรุษนําเอ า, มาเมล็ดงานมาล็ดหนึ่งออกจากเวียนนั้นนะแสนปีออกเม็ดหนึ่งแสนปีเม็ดหนึ่งเมื่อแสนปีล่วงไปออกเม็ดหนึ่งดูความเพรชสุก มเมล็ดงานหนึ่งเกวียนของชาวโกสลซึ่งมีอัตรา20่บคารีนั้นพึงถึงความหมดสิ้นไปโดยทํานองนี้เร็วกว่านั่นยังไม่ถึงอัพภูธะนรกเลยนะไม่ถึงหนึ่งอภูธะในนรกเลยนะหนึ่งอภูธะเนี่ยดูก่อนฟังนะดูการพิสูจน์ทางหลายยี่สิบอธะในนรกจึงเป็นหนึ่งนิรภูธะยี่สิบนิรุูธะเป็นหนึ่งอะพัพะยี่สอะพัพะเป็นหนึ่งอะหะ ยี่สิบอะหะเป็นหนึ่งอตตะยี่สิบอาตตะเป็นหนึ่งกุมุทะยี่สิบกุมุทะเป็นหนึ่งโสคันธิกะยี่สิบโสคันธิกะเป็นหนึ่งอุปปล ะ, ปะอุปปัระยี่สิบอุปปั ะ, ะเป็นหนึ่งปุนธิกะปุนริกะหนึ่งปุนธิกะยี่สิบปุนริกะเป็นหนึ่งปทุมะดูก่อนพิษุ ไอเมล็ดงานนั่นหนึ่งเปลี่ยนน่แล้วไล่ไล่ไปเรื่อยเนี่ยของขนาดไหนหนะดูก่อนพิกษุปูการิกาพิกษุเกิดในปทุมนรกเพราะยังจิตให้อาคาตในภาษารีบุตรและโมคะลานะโอ้โหมันมันไม่รู้กี่พันล้านปีนะแสนไม่ไหวแล้วพันล้านปีก็มากกว่าพันล้านปีอย่างนี้ ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุขศาสดาได้ตรัดวยาการณภาสิทนี้จบแล้วจึงได้ตรัดคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพุทธสวาจาเพียงดังเจาะนะคำพูดแต่และคำเนี่ยมันขุดขุดใครเนาะขุดตัวเองนั่นแหละขุดคนพูดนั่นแหละซึ่งเป็นเครื่องตัดทอนตนของคนพานผู้กล่าวคำชั่วย่อมเกิดขึ้นที่ปากของบุคคลผู้เป็นบุรุษพาน ผู้ใดสารเสริญผู้ที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสารเสริญผู้นั้นชื่อว่าสะสมโทษด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพราะโทษนั้นการปราชัยด้วยทรัพในการเล่นการพนันด้วยตนเองจนหมดตัวเป็นโทษมีประมาณน้อยการที่บุคคลยังใจให้ประทุษร้ายในพระอริยเจ้าผู้ดำเนินไปดีแล้วนี้เป็นโทษมากกว่าบุคคลตั้งวาจาและใจอันเป็นบาปแล้วติเตียนพระอริยะ ย่อมเข้าถึงสิ้นหนึ่งแสนนิรพุธกัปสามสิบหกนิรุท ธ, 3, 6, รทธะและห้าอับธุทธอนะเขบอกว่าการสรรเสริญผู้ที่ควรติเตียนหรือการติเตียนผู้ที่ควรสรรเสริญ น, นี่มีผลเท่ากันที่จริงเก็บอกว่าปุมนิรยังเนี่ยนะปะุมะนิรยังเนะี่ยก็คือปทุมนรกเนี่ยนะชื่อว่าปทุมนรกก็คือที่แยกออกจากย่อมไม่มี แต่บังเกิดในที่แห่งหนึ่งในอเวจีมหานรกนั่นแหละก็คือในในส่วนหนึ่งของอเวจีนั่นเองอ น, นั่นแหละก็คําว่าอภูธา t h i เป็นชื่อของสถานที่ที่สัตว์จะพึงไหม่ด้วยการนับอภูธะในอเวจีนรกนั่นเองแม้ในนรกนั้นชื่อว่านีรับพุ้ท่าเป็นต้นก็ในนี้อันหนึ่งในนรกเหล่านี้พึงทราบแม้การนับปีอย่างนี้เหมือนอย่างร้อยแสนเป็นหนึ่งโกฎร้อยแสนหนึ่งโกดนะชั้นใด ร้อยแสนโกดชื่อว่าปรากฏหนึ่งก็ฉันนั้นร้อยแสนปรากฏก็เชื่อว่าโกติปรากฏหนึ่งร้อยแสนโกติปรากฏก็มีชื่อว่านหุหนึ่งร้อยแส น, นหหเป็นหนึ่งนินหนหดหนึ่งร้อยแสนนินหนหดเป็นหนึ่งอภูธะหนึ่งแต่อัพธะนั้นเอายี่สิบคูณจึงเป็นนริรภูธะนะก็คือสามสิบหกนิรธะ มันเราจะเห็นว่าโทษของโทสะเนี่ยนะเมื่อสะสมมากๆแล้วเนี่ยสา ม, มารถที่จะไปไปเจอคนมีคุณธรรมปั๊บเนี่ยนะโอ้ตีตัวยาวเลย <c oughs> ออนิดเดียวนะ <c oughs> เห็นแก่ลาบหน่อยเดียวเท่านั้นเล <c oughs> นะปัจจัยของลาบแล้วก็ทำให้เกิดโทสะแล้วก็ปัจจัยแห่งโทสะนี่ก็สะสมไปนะ แล้วถ้าพ้นจากนรกแล้วเมื่อไหร่จะได้มาพบคําสอนอีกครั้งหนึ่งนะโอกาสแก้ตัวนี้เมื่อไหร่ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะนะกุลบุตรก็พึงตั้งเมตตาจิตไว้อย่างนั้นเหมือนกันในในเมตสูตรเนี่น ะ, ะที่ถันจรังสันณิสินโนวาสยาโนวานะขาบอกว่าไม่ว่าและกุลบุตรผู้จเจริญเมตตานั้นนะไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนปราศจากความม่วงเหงาเพียงใดก็พึงตั้งพึงตั้งจิตไว้เพียงนั้น บันดิตทั้งหลายกล่าววิหารธรรมนี่ว่าเป็นพรหมวิหารในธรรมวินัยของพระอริยเจ้ามาไงคือคือได้ทุกอิริยาบถนั่นเองนั็นไง